นาะเราก็จะมาว่ากันด้วยเนื้อหาธรรมันต่อไปยังไม่พูดถึงเรื่องสงครามเท่าไรแต่มันก็คงจะเป็น ค, คล้ายๆสงครามอยู่ระหว่างสงครามธรรมมาธรรมะสงครามนะธรรมมาธรรมะสงครามคือสงครามที่มันไม่ใช่สงครามเข็นฆ่ากันอย่าง มุ่งหมายจะเอาลาบเอายศเอาการมเอาเด่นเอาดังอะไรกันอย่างนั้นแต่มันมุ่งหมายเป็นอัตรามุ่งหมายว่าเอออันไหนนะาจะถูกต้องอันไหนน่าจะผิดนะถ้ายัางคนยึดมั่นถือมั่นก็จะต้องเอาชนะคดีคาราคนมายึดมั่นถือมั่นก็เอาเป็นการสาตัะชาหรือเป็นการถกกันเพื่อที่จะให้ชัดเจนว่า อันใดเป็นธรรมวาทีอันใดที่เป็นคําพูดที่ปรรยายแล้วฟังแล้วเออเข้าทีเป็นธรรมะอันใดที่อธรรมวาทีเอฟังแล้วมันมันไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เห็นว <maybe> ่าเป็นธรรมะที่ถูกต้องอันไหนเป็นธรรมวาทีก็เป็นธรรมะที่ถูกต้องเห็นด้วยเราก็มีส่วนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินอันไหนว่าเราเห็นว่าผิดอันว่าถูกตาม ความเป็นจริงของเราแต่ละคนแต่ละคนก็มีของตอนเองเป็นอิสระส่วนใครจะผิดจะถูกนั้นมันก็มีทั้งสัจจะของมันที่เป็นสัจจะจริงๆไม่มีใครเป็นคนตัดสินน่านั่นหนึ่งน่าไม่มีใครเป็นคนตัดสินเป็นสัจจะจริงๆของมันกับสองมีคนตัดสินที่เราเคารพนับถือเช่นพระพุทธเจ้าอยู่เราก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสินอ่าเราก็ยึด ต, ตามนั้น ที่รู้จักตัดสินแล้วอันไหนว่าถูกก็ถูกอันไหนว่าผิดก็ผิดเมื่อเรานับถือสุดยอดแห่งภูมิปัญญาแล้วเชื่อมั่นว่าท่านเป็นผู้ที่รู้เยี่ยมรู้ยอดรู้ชัดรู้จริงรู้ถูกต้องหรือใครก็ตามที่เราเห็นว่าเออน่าเชื่อถือท่านผู้นี้นะเรายอมให้เป็นผู้ที่รู้ยิ่งรู้ยอดที่เราจะตอมรับไปก่อนก็เป็นได้นะเสนาธามานั้นอาตมาไม่เคยไปจี้ ไปบังคับหรือว่าไปยืนยันว่าจะต้องเชื่อตามที่อาตมาตัดสินนี่นะอาตมาว่านี่นะอาตมาไม่ไม่ไม่ไม่เคยไม่คิดที่จะไปทําเช่นนั้นเพราะว่ามันมันไม่ไม่ไม่ถูกต้องอาตมาเห็นว่าไม่ถูกต้องถ้าเขาจะนับถือเขาจะยอมรับมันจะเป็นเรื่องสิทธิของเขานเป็นอิสระเสรีภาพของเขาแต่เขาจะไม่ยอมรับ มันก็เป็นสิทธิของเขาเหมือนกันเป็นอิ ส, ร, อสระเสรีภาพของเขาเหมือนกันนะเพราะงั้นการไปบังคับความคิดน่ะแต่มาเห็นว่านี่มันยัได้ดีดีอะไรนะไปบังคับความคิดของเขาความคิดความเห็นความรู้เนือความคิดความเห็นความรู้ไปจนกระทั่งถึงความเชื่อมันเป็นของส่วนบุคคลไปบังคับมันไม่จริง ไม่จริงทั้งความรู้ความเห็นความคิดความเชื่อไม่จริงทั้งนั้นแต่มันเขาเขาได้ไงขอให้เขารับมันเขาเองเห็นมันเองเชื่อมันเขาเองจริงงันเขาเองนะแล้วมันก็จะมันก็จะได้ความมันก็จะดูดีนะวันนี้อาตมาก็จะเอาที่พูดกันไว้แล้วตั้งแต่วันวันอะไรวันอังคารอาตมาเอาของ เอสเอ็มเอสองคุณแปดเจ็ดศูย์ห้ามาอ่านเถอะโอ้โหสองสามหน้านะอ่านไปจนหมดเวลาไม่ได้ขยายความไม่ได้เ อ, อวิจัยวิจารณ์อะไรเลยวันนี้ก็จะถือเป็นวันที่จะวิจัยวิจารณ์คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าหน้าอ้าวก่อนจะได้วิจัยวิจารณ์ต่อไปวันนี้มันวั น, วนสงครามสังคมธรรมา ก, การเมืองจะมีตอบประเด็นด้วยเนั่นะก็บอก สำหรับผู้ที่จะส่งประเด็นเข้ามาตามธรรมเนียมส่งเข้ามาทางโทรศัพท์โทรศัพท์มีสองหมายเลขผู้ที่ดูแล้วก็รูก็เตรียมจดสองหมายเลขคือศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้ากับศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกสองหมายเลข อ่ะทวนอีกทีหนึ่งศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้ากับศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกอ่านั่นคือหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขที่จะส่งประเด็นเข้ามาในรายการนี้อ่ที่นี้มาเริ่มต้นอ่า เมื่อวานเมื่อวานนี้วันก่อนนี้ก็มี S M S มา S S อีกร อ, อ, อันหนึ่งเป็นไงละ่ะนอ่นมี S M S มาบอกว่าที่จริงแล้ว ไอ้เสบยนี่ส่งมาตั้งแต่วันที่สองนี่วันนี่วันที่สี่เพราะว่าที่วันที่สามก็มีนะแต่ตะมาไปวางที่ไหนฉัลไม่รู้เขาเอามาให้ดูเหมืนเอามาให้แล้วนะตะมานี่ก็ประเพลย์ๆจับพัดจับผูไปเรื่อยอ่ออยู่นีน่วันที่สามจะเอาไว้เป็นการ เอาตอบไปว้าเอาอ่านออกไปก่อนก็แล้วกันนะ4004บอกว่าชอบสิ่งที่ศิกรมาตทุกรูปผู้โดนใจมากอ่างั้นาาวานนี้นวันที่สี่เมื่อาวาันที่สามเมื่อวานนี้เขาศิกขมาตได้เอ า, อาคำคำบรรยายคำอธิบายาอาจจะไรของอัตมาไปย่อยอีกทีหนึง่ง มันก็ละเอียดขึ้นก็ฟังกันเขาก็แสดงความเห็นมาคุณสี่ศูนย์ศูนย์สี่บอกว่าชอบสิ่งที่สิขมาทุกรูปพูดโดนใจมากคุณเจ็ดศูนย์หนึ่งบอกว่าปล่อยใจตามกิเลสจะพบแต่เสียหายเดือดร้อนอดทนบางอย่างเพื่อรักษาไว้หลายอย่างนี่ก็รายงานว่าจะทำอย่างนี้เอาก็เอาก็ได้ดีนะ อ, อดทนองอย่างเฝ้ารักษาไว้หลายอย่างปล่อยใจตามใจตามปล่อยตามใจใจตามกิเลสมันก็เสียหายแน่นอนคุณเจ็ดสามศูนย์แปดบอกว่ารารมัสการคดิชช่นเป็นเป็นบ่อยด่นเป็นบ่อยที่โทรศะขึ้นเวลาสอนนักเรียนแล้วไม่ได้ตามที่ตั้งใจประสงค์การเรียนรู้ไว้กับหมอว่าเป็นการเรียนรู้ไว้ แสดงว่าฟังธทมแล้วเอาไปปฏิบัติได้นะที่รายงานมานี่ถูกต้องนะดิฉันเป็นบ่อยโทรศัาาขึ้นเวลาสอนนักเรียนแล้วไม่ได้ตามที่ตั้งใจประสงค์นะั่แหละมันมีการมีเป้าหมายมีมโนสัจเจตนามีตัญหานะมีความต้องการจะให้ได้อย่างนั้นเนี่เป็นอย่างนี้มี น, นี้มีเป็นต้นนะโดยประสงค์จะให้เป็นอย่างนั้นอ่านะเสร็จแล้วมันไม่ได้ดัง ก็ะสงโดยมุ่งหมายก็มันก็ยึดยึดจะต้องได้ต้องเป็นต้องมีตามนี้ตามนี้ตามนี้แน่ๆเป็นปัญหาที่มุ่งหมายให้ได้มีตัวเรามีตัวตนตัวเราเข้าไปร่วมวันนี้อย่างงี้มันต้องอย่างนี้มต้องนี้มต้องนี้ตัวเราเข้าไปกําหนดจะต้องได้งนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีองนี้มันจะได้อย่างไรมันจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นดังนั้นมันก็ได้อย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นเรารับรู้ถ้าเราไม่มีตัวตนเข้าไปรวมต้องได้อย่างใจชั้นชั what ้น <coal>. น<ท cau anta>ี <S <S <Being communist> ่ชั้นกําหนด ถ้าไม่มีอย่างนี้มันก็จะไม่ไม่มีปัญหานะมันก็จะไม่เออ่ไม่โทสะไม่โลภะไม่อะไรขึ้นมันก็จะรู้ความจริงตามความเป็นจริงเท่านั้นนะนะ น, น้าเนี้อธิบายฟังนิดหนึ่งคุณจีศูนย์สามเก้าบอกว่าเวลามีเหตุการณ์ใดๆเข้ามากระทบใจมักจะคิดเลยเธอสติแตกไปตามเหตุการณ์นันะ้นเวลาอะไรก็ามากระทบใจเคยมึงก็คิดเลยเธอสติแตกไปตามเหตุการณ์นั้น พมัวแต่ดูใจคนอื่นเออพมู้จะดูใจคนอื่นเอเดี๋ยวจะได้รู้ดูใจคนอื่นไม่เคยดูใจตัวเองเลยเพราะได้เรียนรู้เรื่องโยนิโสมนสิการจิตไม่มัวแต่ดูข้างนอกแต่ใช้วิธีย้อนมาดูตัวเองมองข้างในเห็นจินตตนเองจนเห็นสุขทุกข์มาแล้วก็เป็นไป ก็ไปเป็นก็ไปเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาโลกเ อ, อมองเข้ามาเข้าในตัวในจิตตัวเองแล้ววเห็นสุขเห็นทุกข์มานะี่ก็ก็เป็นไปเป็นเรื่องของธรรมดาโลกเว่า ง, งั้นจะ <c oughs> บอกว่าเอวังโปรงสัเถิดสูข่าเอ้ยเดี๋ยวก็มอดมวยมรณาชีวาวางวายหายรับไปจากโลกเนอะนานี่หมายความว่าปรงใช้คาถาปรงให้มันวางน่ะ อันนี้ก็เป็นการใช้อะไรอันนึงเชิงมีความเข้าใจมีความรู้มีปัญญาประกอบรวบอยู่บ้างแต่มันไม่เข้าเป้าเข้าเป้าจริงๆจะต้องเห็นความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่กาลังตั้งอยู่ก็ดีเดี๋ยวมันก็จะต้องดับไปมันกำลังตั้งอยู่ก็เป็นเพียงมันตั้งอยู่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็สัพัดได้ แต่เปลนอารมณ์โศะอารมณ์โกรธอารมณ์อะไรก็แล้วแต่อารมณ์ที่มันเกิดรักเกิดชังอะไรขึ้นมาก็ตามเกินกว่าที่เรากําลังสัมผัสความจริงตามนั้นมันมีอารมณ์รักอารมณ์ชังแยกให้ออกพราะเกิดแล้วเราก็จะต้องดูว่ามันไม่เที่ยงอาการไปลรักนี่แหละอาการสามอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่แหละมันไม่เที่ยงหรอกนอกจากมันไม่เที่ยงเราไปยึดมันอยู่อย่างนั้นมันพาเราทุกข์ถ้าไ ด, ด้ดังใจมันก็จะหลงเป็นสุข มันสมใจเสียได้บำเบอกิเลสกิเลสก็สบายได้อาหารก็อพอใจเป็นสุขสุขตันนี้สุขเทปสุขคาลิกะแต่ถ้าไม่ได้ดังใจทุกข์กินรนเดือดร้อนดีไม่ดีอารวาสอะไรนี้เป็นต้นเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเหตุแห่งทุกข์สามแต่ยังไงมันก็ต้องหายไปอนัตตามันจะไม่อยู่อย่างนั้น คุณจะต้องเห็นแล้วเข้าใจอะด้วยปัญญาเลยไม่ใช่คํานวณค่นึงเห็นสภาว่านี่มั น, นไม่เที่ยงจริงๆแล้วมันก็พาเป็นทุกข์จริงๆเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยมันพาเป็นอย่างนั้นและก็เห็นว่ามันไม่มีมันอนัตตามันไม่หายไปแล้วไม่มีตัวตนเห็นอาการอย่างนั้นเลยอาการลิงคณิมิต อ, อาการมันไม่มีรูปร่างตัวตนสีสันนะจิตใจตสิ่งเรืออาการอารมณ์ต่างๆของนี้มันไม่มีมันมีอาการเท่านั้นเป็นอาการระลูก คุณจะต้องรู้จักลักษณะรูปลักษณะมันยังไงอาการมันธนเดียงมันไม่มีสีสันมันเป็นลักษณะของอาการซ้อนอยู่นี่พวกรูปทั้งหลายแหละท่านแจกไว้ยี่สบแปดรูปที่คุณแปดเจ็ดศูนนาท้ทายอัตมาอธิบายเนี่ยอัตมายังนอกจังหวะอยู่มันค่อยๆถึงเวลาก็อธิบายเพราะมันยาวมันยี่บแปดรูปอล้เนาะแล้วมันก็ละเอียดต้องต้องอธิบายขยายตรงนี้ต้องต้องขยายเข้าไปตึงอย่าเข้าใจเพราะมันละเอียดนะ คำว่ารูปจริงมันมีมากกว่านั้นอีกนอกจากยี่สแปดรูปยังมีรูปลักษณะหมวดนั้นหมวด น, นี้อีกตั้งเยอะอะซึ่งมันจะท่านเสือแล้วมันจะเมาค่อยๆว่ากันไปตามลําดับนั้นถ้าเพราะว่าสามารถที่จะเห็นอาการสุขก็ไม่เที่ยงอาการทุกข์ก็ไม่เที่ยงแมกิเลสจริงๆก็ไม่เที่ยงแต่เรายึดมันอยู่มันก็เลยไม่ออกไปจากตัวเรามันมออกไปจากใจเราอาเพระอะอันนี้คือเป้า ที่อาตมาเข้าใจไม่ใช่เข้าใจอาตมาอยากให้เข้าใจแล้วก็อยากให้อ่านพิจารณาของจริงให้เห็นของจริงอยากที่มาอนนี้ให้ได้เข้าใจที่อาตมา ข, ข, ขยายความอธิบายฟังรายละเอียดแล้วยาายมอ่านให้ของจริงให้ได้นะอาที่ น, น, นี้มีคําถามจากสมณะบินก้าวทรงมาท่านกรรับคําถามมาทรงมาเรื่อยาสมณ ะ, ะบินก้าวเป็นคําถามจากผู้ฟังสตรีว่างั้น ผู้คนนี้ฟังแล้วพอจะมีความรู้เรื่องราวในพระศาสนาด้วยแล้วบอกว่าเธอสงสัยว่าการที่บอกว่าอ่าการที่บอกว่าหากให้สตรีเข้ามาบวชในพุทธศาสนาจริงหรือที่จะทําให้อายุพระศาสนาลดลงกึ่งหนึ่งจริงหรือถ้าให้สตรีเข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วศาสนาจะอายุศา ส, สนานี่จะพุทธศาสนาจะลดลงกึ่งหนึ่งเขาสาบ เขาสาเหตุผลจากฟกครูอ่อสาปเหตุผลจากพวกครูอ่เอเดี๋ยวตอบ <c oughs> แล้วมีอีกอันนึงบอกว่าก็ตอนที่มานนี่มันจะขยายความข้างบนนิดหน่อยก็ตอนที่มารารัตนาให้พระ เ, ะเจ้าปริพานนะตอนที่มารพอทัศน์สรู้แล้วมาน อ, อารัตนาให้นิพานที่พอทัศสรูุ้แล้วนี่จบแล้วนี่พอมานอารัตนาอย่างนั้นท่านก็บอกมานว่า อย่าเลยมันเรามาขอสร้างพระศาสนาให้มั่นคงพร้อมกับประกอบด้วยบริษัท4ี่นะจึงมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสะก่อนนะผู้ถามนี่ตั้งใจนะตั้งใจว่ า, าจะาจะเอาคำของบริธจาทนตรัสตอนที่ยังไม่ได้สอนเลย ยังไม่ได้สร้างศาสนาเลยเพอตัสรู้เสร็จมากกนเข้ามาศาสนาเนี่ยนะแสดวท่านก็บอกยังยังไม่ยังไม่ปฏิญญาพา น, นจะต้องให้ศาสนาตั้งมั่นซะก่อนมีภิกษุภิกษุณีแสดงว่าตอนนั้นท่านก็นรู้แล้วว่าจะต้องมีภิกษุณีจะต้องให้มีภิกษุณีแล้วทําไมท่านมาบอกว่าพอพนางอะรพระราชนตรมจีจะมาขอบวช ท่านก็ไม่ให้บวชอ่านนท์มาถามพระอานน์มาถามท่านก็บอกว่าไม่หาถ้าเแปะว่าให้ผู้หญิงบวชเนี่ยอายุศาสนาของเราที่จะทําไปมันจะลดลงเลอครึ่งหนึ่งก็ท่านเองท่านตรัสตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้สร้างศาสนาว่าจะต้องมีพิทธุนีแล้วทําไมมาไม่ให้บวชมันมีระยะอย่างนี้ถ้าให้บวช ก็มีพิษุนีอะแต่ศาสนามันจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งไงนี่นัยยะหนึ่งนะให้บวชมันก็มีพิษุนีถ้าไม่ให้บวชจะไม่มีพิษุนีท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านจะไม่ให้มีพิษุนีฟังๆดูมันก็ขัดขัดอยู่ว่าเออแล้วท่านไม่อยากให้ศาสนามันครบครบกับ ไม่งั้มัจะเหลือครึ่งเดียวถ้าไม่อยากให้ศาสนาของท่านเต็มเลยทําไมท่านถ้ามีภิกษุณีอนุญาตให้มาบวชเภิกษุนีศาสนาก็จะลดลงครึ่งหนึ่งท่านทําไมไม่เอาให้ศาสนามันอยู่นานๆหน่อยทําไมให้ภิกษุณีละ่ะถ้าให้ไม่ให้มีภิกษุณีละ่ะก็ไม่ให้มีภิกษุณีสิศาสนาจะได้เต็มครบไม่ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งไงเนาะอ่าก็เป็นการแย่งอย่างนั้นอัตมาก็ว่าพระพุทธเจ้าท่านอ ท, ท่านไม่ได้ ถ้าไม่ได้หมายว่ า, าศาสนาของท่านจะยาวหรือสั้นแต่ท่านเองเห็นว่าท่านมาช่วยมนุษย์ก็มนุษย์ผู้หญิงเขาจะบวชพระอานอนท์ถามทูล ถ, ถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าผู้หญิงบวชนี่จะบรรลุอรหันต์ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกบรรลุบรรลุได้อ้าบรรลุได้ก็ต้องให้บวชสิท่านก็จำ น, น้นเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับคนน่ะ ส่วนศาสนาของท่านจะสั้นมั่งยาวมั่งก็ไม่เป็นไรนี่แต่ว่าถ้ามาช่วยคนก็คนได้ก็ต้องให้คนโดยสัจจะเปนน็นยาง้นท่านก็เลยต้องยอมโดยตั้งครุฑทำแปดข้อขึ้นมาให้พระนางโคตมีพระนางโคตมีก็ยอมรับก็ได้ก็เดยบวชไป น, นีเป็นต้ น, นอ้าวประเด็นนี้ผ่านไป <c oughs> อาทีนี้เอมีอื่นอีกนะอาตมาไม่อ่านและหลายค่แล้ะอันคือไม่อะไรโต้แปดเจ็ดศูนย์ห้าโต้ยังงนโต้ี่ภาษาก็ว่ากันไปว่าอาตมาไม่อ่านนะไม่อ่านมีพวกที่โต้แทนอาตมาเนี่ะคืออาตมาไม่ได้โต้เท่าไหร่แต่ก็มีผู้โต้แทนอาตมาเยอะอาตมาก็ประปรามีว่าอาตมาไม่ต้องไปสถกไปเถียงกาน อ่าคุณแปดเจศูนย์ห้แต่ก็เขาอดไม่ได้เขาก็โตไปบ้างก็ฟังฟังไปใครอดได้ทนได้ก็ไม่ต้องใครอดได้อดไม่ไดไม่ได้ก็มันก็มวิสัยเนาะมันสุดวิสัยก็ต้องว่าไปต้องคอยติดตามนั้นอายของคุณแปดเ็ดศูนห้าก่อนก็แล้วกันของเมื่อวันที่สองอันนั้นเมื่อวานนี้วันที่สามน้าบอกว่าพอทรอโพธิรัตกลัวว่าถ้าสอนสมาธิหลับตา จะไม่มีใครมาช่วยทําปุ๋ยจะไม่มีเงินทําเอฟเอ็มทีวีบางั้นนะช่างรู้ใจอาตมาจริ้งเลยแต่รูปคิดผิดไม่ได้ตรงเลยอาตมาไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยสกัก น, นิดหนึ่งไม่มีอแล้วก็เดาส่งไปเรื่อยเหมือนกับที่เป็นเดาเนี่ยอาตมาว่าเดานาะเดี๋ยวที่เล่าที่อ่านให้ฟังแล้วอ่ะบอกว่ามองไปก็เห็นเห็นรูปนาม รูปนามมันก็เลยเรูปนามเลยนะหรือกอนทุกนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมามีผู้หญิงซ้อนมอเตอร์ไซค์มาด้วยแล้วก็ไปบอกว่าโอ้แล้วเขาก็บอกเขารู้เลยนะเขารู้ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะอยู่ในความคิดของผู้หญิงคนนั้นก็เราบอกว่าฉันสวยไหมอนะ่าฉับไปรู้ใัใจเขาอนะขึ้นดาวส่งไปเรื่อยเลยนะ บอกกองอัตมาไม่เชื่อหรอกจะรู้จะอย่างรู้อะไรอะไรความคิดของผู้หญิงคนนั้นอย่างนั้นอัตมาไม่เชื่อคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเลยสักนิดหนึ่งไม่เชื่อหรอกนะไม่เชื่อจริงๆเพราะว่าการที่จะไปสามารถรู้อย่างรู้ใจอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นไม่ไม่ใช่ธรรมดาแม่แต่ชาวแม่แต่ศาสนาพุทธพุทธิจักก็ห้ามไปฝึกไปเรียนไปซ้ําไปวิธีนี้แบบนี้ ไม่ได้บุกไม่ได้บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้พูทธิมีถึงแต่ศาสน า, าพุทธไม่ได้ส่งเสริมเลยอ่าเพราะฉะนั้นคุณแปดเจ็ดศูนห้าจะเป็นเลขาธิกมาขั้นข้างไหนเป็นซื้ อ, อาศาสนานอกพุทธมี่าปฏิบัติอย่างนั้นมาจงตั้งติดตัวมาบอกว่าตอนนี้ที่พูดนอะไรยังไม่ได้ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะหน้าว่างั้นแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้บวชอาตมาก็เอ่าดูตาม เ, เล่าตามพูดมาแล้วก็คิดว่าเขาจะเป็นนักบวชได้ล่ะแล้วก็พูดกันกับ สองสองคนไปได้วยกันสององค์เป็นรูปสองรูปพระสองรูปเงินคล้ายๆเงินอาตมาว่างั้นนะอ่าบอกแล้แต่ว่ายังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้อะไรนะว่างั้นก็แสดงว่ามีมาแต่เดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีมาแต่เดิมพวกนี้ก็เป็นเรื่องของเดรถถัจฉีเป็นเรื่องของาศาสนานอกพุทธซึ่งมันไม่ใช่พุธทธติดมาซึ่งไป่ใช่ได้รู้ใจคนอื่นเทว่าปรัสัตานางปรัสปุขลานางปรสัสสตานางปรัปุารลานางของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้หมายความว่าไปรู้ ใจของผู้อื่นที่เป็นภาษาบุคคลบุคค ล, ลาธิฐานเป็นบุคคลตัวนบุคคลเราเขาอันนี้ไม่เรื่องประมาจิอันนี้เรื่องประมาจิตปจิตเจตสิกของเราเองคําว่าอื่นคํานี้ก็คือจิตของเราจิตอื่นจิตเป็นสัตว์อย่างนี้และวัยสัตว์อย่างอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสัตว์อย่างนี้ที่เราเป็นอยู่เช่นเราเป็นสัตว์นรกและมีสัตว์จากเปลี่ยนจากสัตว์นรกนี้เป็นสัตว์เทวดาอุบาติเทพ เป็นสัตว์อื่นคุณสามารถรู้ได้ไหมว่าจิตทีเปียกเป็นสัตว์อื่นอย่างนี้หรือเป็นปุถุชนอยู่ปุถุชนก็เป็นบุคลคลปุบปุบถูบุคคลเสร็จแล้วบุคคลอื่นประบุคลานังก็คือหมายความว่าจิตเราจะเปลี่ยนเป็นบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเป็นบุคคลอื่นไปอีกเป็นบุคคลอีกโลกหนึ่งเรียกว่าโลกโลกุตระเป็นอารียบุคคลไม่ใช่คนปุถุชนนี่เรียกว่าอื่นต่างกันต่างกัน พอยืนยันว่าจิตอย่างนี้เนี่ย DNA เปลี่ยนไปแล้ว DNA ของจิตปุตตุชนกับจิตลโลกุตระจิตอริยบุคคลมันเปลี่ยนต่างแล้วี mm. <ๆ>่เลนกๆก็เลยอย่างแล้วอย่างนี้คุณเข้าใจอย่างนี้ก็ถูกต้องถ้าเข้าใจอย่างนี้แต่นี่ไปเข้าใจบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นตัวตนอื่นนี่ยังไม่เข้าหลักปรมัติ์เลยแล้วมันจะมารู้ทําได้ยังไงเพราะว่าไม่ได้เข้าเป้า มันเรเป็นปรมานเป็นสมุติสัจจะอยู่เป็นสมุติธรรมอยู่อ่อาตรงนี้เป็นต้นนะอ่าทีนี้คุณอ875บอกว่าอาตมาเนี่ยไม่สอนหลับตาถ้าสอนหลับตากลัวกลัวถ้าสอนสมาธิหลับตาจะไม่มีใครมช่วยทําปุ๋ย <c oughs> จะไม่มีใครหางเงินมาช่วยทำเอฟเอ็มอาตมายังไม่เคยพูดเลยนะว่า <C oughs> เงินของโรงงานปุ๋ยเนี่ย ม, มาช่วยเอฟเอ็มมีแต่พูดว่าเงินของขยะเงินของขยะกับเงินของทุกชาวโซกภายในนาจะมาไม่เคยพูด น่าไม่เคยบรรยายไม่เคยบอกไปเลยเป็นเดาส่งไปสารพัดสารเพเ์คิดตูตั้งหน้ากีตาร์ตุกแกไปเรื่อยน่ว่าอาตมาเนี่ยถ้าให้มานั่งหลับตาแล้วจะไม่มีและไม่มีใครไปช่วยทำปุ๋ยล้วก็เลยไม่ได้เงินมาช่วยทำเอฟเอ็มีีอาตมาก็ขอยืนยันว่ายังไม่ถึงขั้นเอาเงินของจากโรงปุ๋ยมาช่วยเอฟเอ m มทีเอเอ็มทีีตอนนี้มีการ มีรายได้จากขยะวิทยานะจากพวกเราทำขยะกันนะจากผู้ที่ร่วมบริจาคบ้างซึ่งคนในเราไม่ได้รับการบริจาคไม่รับบริจาคจากคนนอกคนนอกบริจาคมาเรากม็มันมีในกติกาว่าเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ที่เรามีกติกาอยู่เราก็ไม่ได้รับเนะท่า น, นั้นเองที่ทำอยู่ซึ่งเราก็ทำอย่างประหยัด เพราะาของเราเนี่ยทุกคนทํางานฟรีไม่ได้จ่ายค่าแรงงานแล้วก็ไม่ได้จ่ายค่าสงวนอะไรหลายหลายอย่างที่ไม่ได้จ่ายตามโลก เ, เขาที่โลกเขาทาเนี่ยเราไม่ได้จ่ายเรา จ, จ่ายแต่ค่าแรงงานก็ค่าใช้ใจ่ายที่เราไม่ได้จ่ายค่าแรงงานจ่ายแต่ค่าที่ทําใช้จ่ายจริงที่จะต้องจ่ายจําเป็นต้องจ่ายค่าอุปกรณ์ค่าอะไรต่างๆนานาแต่ที่จะต้องใช้เท่านั้นมันก็เลยถูกกันต้องเป็นขึ้นเป็นค้อน ถูกกว่าที่ที่อื่นสถา น, นีอื่นๆใดเขาทั้งหมดความรื่นกรอบ่อนนี่เป็นเศรษฐกิจแบบบุญนิยมเศรษฐกิจตามพระพุทธเจ้าซึ่งอาตมาทำได้อาตมายังภาคภูมิใจเศรษฐกิจสาธรารณโภคีหรือบุญนิยมทำได้อยู่ขณะนี้นะเพราะฉะนั้นที่พูดมานี่มันโมเมดาวส่งไปตามเรื่องตาราวแต่ที่นี้บอกว่ากรูวว่าถ้าสอนสมาธิหลับตาอาตมาสอน สมาธิหลับตาก็สอนแต่อัตมาไม่ได้ส่งเสริมมาขอไปไม่ใช่ไม่ส่งเสริมส่งเสริมอยู่ไม่ได้ไปเน้นว่าสมาธิหลับตาคือวิธีตรงวิธีแท้ของศาสนาพุทธมันเป็นวิธีเคียงอุปการะทำให้เข้าใจสมาธิสะแล้วจะทำทำควรทำด้วยก็พากันทาอยู่ที่เรานี่ที่นี่สตสิอารเนี่ยอย่างน้อยที่สุดทุกวัน มีสามสี่คนนั่งประจําเลยอายุแปดสิบเก้าสิบนั่งกันมีสามสี่คนนอกนั้นก็จะมีรวมไปช่วยกันนั่งอยู่บ้างบางวันมีห้าคนหกคนเจ็ดคนอ่าสิบคนก็นา น, านทีอะไรงี้นี่อยู่ประจําทุกวันแหละแล้วบางทีพวกเราก็นั่งอาพ า, พานั่งพาทำนะเข้ามาอบรมเข้ามาอะไรต่างต่างนึกว่ า, า, าในที่นี้ก็พากันทำอยู่ อาตมาไม่ได้เน้นท่านั้นเองพวกเราช่วยกันสอนช่วยกันแนะนำช่วยกันนำพาอยู่นะแต่อาตมาอธิบายสิ่งที่มันถูกต้องกับสิ่งที่มันไม่ใช่และก็ไม่ได้เป็นเน้นน ะ, ะกําลังเน้นสิ่งที่ถูกต้องที่ยากและละเอียดอยู่ตอนนี้ซึ่งอาตมาเชื่อนะเชื่อว่าคุณไดเจสู น, น้านี่เคยได้ฟังผ่านหูเหมือนกันว่าอาตมาพูดแบบมีสมาธิเนี่ครับแต่เจตนาเอาคําพูดวันนี้มามาแขละมา มายัดเยียดประชดอะไรก็ไม่รู้แหละมันเชิงเข้านะอาจจะนี้อีกอันนึงบอกบอกวา่าพุทธเจ้าสอนให้ดูรูปตัวเองแต่โพธิรากมัวไปดูสิ่งอื่นแถมดันไปวิปัสสนาการเมืองอาจไปเมือวันที่วันที่สองนั้นคุณนั่นแหละไปดูที่อื่น วิปัสนาที่อื่นให้ดูรูปตัวเองดันไปดูรูปที่อื่นเห็นแต่รูปแต่นามเดินอยู่ไปทั้งหมดเห็นก้อนทุกเห็นแต่รูปแต่นามมีแต่รูปจะนามเดินเขาใครไปดูที่อื่นอาตมาไม่เคยให้ไปดูอย่างนี้เลยคุณตั้งหาไปดูที่อื่นแล้วมาตูอ่อาตมาโอ้อยู่นนี่นี่อยู่ในกระดาษนี่คุณทวนคุณก็คงจะมีคัพปี้อยู่นะอาตมาไม่อยากอ่านแล้วมันเยอะเดี๋ยวอาตมาจะจี้จะชี้ไปในเรื่องรูปเรื่องนามว่าจะพูดถึง นะเรื่องอะไรมางจะพูดถึงโดยประเด็นตวเวลาจะหมดละเอาผ่านไปก่อนแต่เจ็ดศูนย์หน้าบอกอีกบอกว่ า, าะวิพวัตตัญหาของพอทรขอ้อโพิลักษ์วิพวัตตัหาของพอทรข้อโพดิรักษ์คืออยากให้คนนับถือว่าเป็นสยังละพิญญาระดับโพธิสัตว์สีเจ็ดโอคมเคมันคงตกเขาชอบจะพูดโอเคไหมโอเคไหมว่าไงนะว่าให คืออยากให้คนมานับถือว่าเป็นสยังกัพิญญาระดับโพธิสัตว์สี่เกตที่ผู้บอกวิพากษ์วิจารณ์ในของอาตมานี่ที่อาตมาพูดไปอยากให้คนมานับถือมันคืออะไรอะพูดเอพากษ์วิจารณอย่างที่อาตมาพูดไปคืออยากให้คนมานับถือว่าเป็นสยงังกับพิญญามันเป็นสยงังกัิญญาจริงนะมันเป็นสยังกับพิญญาคือเป็นความรู้ความเห็นของอาตมาที่อาตมาไม่ได้เข้าใจอย่าง ทีพกคุณเข้าใจหรือกระแสหลักเข้าใจวิพภวตนาแปลว่าตัณหาที่ไม่ได้ไม่มีไม่เป็นกลับกันกับพวตัหาที่แปลว่าได้มีเป็นอได้มีเป็นพวตัหาวิพภวตนาคือไม่ได้ไม่มีไม่เป็นกลับกันเท่า น, นั้นเองอาจารมายให้ว่ า, ามันอยู่ในโลกเดิมไปการปฏิเสธโลกหมุนกลับไปกลับมาไม่ขวาก็ซ้ายไม่ซ้ายก็ขวามันไม่ได้กลายเป็นโล ก, กุตรธรรม วิภาวตัณหาที่อาตมาอธิบายเนี่ยเป็นตัณหาที่ไม่ใช่ทั้งวิภาวะประกอไปไม่ใช่ทั้งกาสมามตัณหาไม่ใช่ทั้งภาะวะตัณหามันเป็นตัณหาที่เหนือชั้นก่อกามในกามที่เป็นกาส ม, มาภพเมื่อปฏิบัติละเหตุแห่งกาลของกาส ม, มาภพได้แล้วมันก็หมดภพนั้นไปก็เป็นวิภวะตัณหาที่บรรลุผลอันหนึ่ง เหลือเพราะว่าพบรูประพบก็รูปะพบก็เรียนรู้ตัญหาในพบรูปประพบอีกก็ล้างกิเลสที่มันให้เกิดรูปประพบหมดอีกก็เป็นวิภาวะหรือเป็นวิภพเป็นความปรารถนาที่มันให้ไม่มีพบมันก็ไม่มีพบนั่นอีกก็เป็นสมกับวิภาวะตัญหาเป็นตัญหาที่ต้องการดับพบนั้นก็สมใจอีก ดับก็คือไม่มีดับก็คือศูนย์มันไม่ได้อะไรนะมันดับพบเพราะงั้นการปฏิบัติวิภวตัณหาเป็นความประสงค์ความปรารถนาเป็นมโนสเจตนาที่เรียนรู้พบแล้วก็หาเหตุแห่งพบดับเหตุแห่งพบจนหมดพบก็หายไปเป็นวิภวะไม่ได้นะแต่ได้ผลได้ผลศูนย์พบมันศูนย์การมาพบศูนย์รูปปรพบศูนย์เหลืออรูปเพราะนัยยะเดียวกันก็ล้างอรูปประพบอีกก็ศูนย์อีกหมดอีก ก็หมดทุกภพกเป็นวิภาวะตัญหาสมในผลที่ต้องการประสงค์หรือมุ่งหมายมโนสัญเจตนานี่คือตัญหาสามที่อาตมาเข้าใจและปฏิบัติได้ปฏิบัติเป็นส่วนผู้ที่ไม่เข้าใจอย่างนี้ไปเข้าใจวพราวะตัญหาแต่แค่ว่าก็ไม่น่าได้ไม่นามีไม่น่าเป็นของพบแล้วมาเกี่ยวกับการมมาพบไม่รู้เจวข้องไหมไม่รู้ ถาจะมาก็ไม่รู้ว่าจะไปปฏิบัติกลางไหนพเพราะว่าตัณหาก็ไม่มีไม่เป็นไม่มีไม่เป็นไม่ได้ไม่มีไม่เป็นเป็นก็ไม่ได้ไม่มีก็ไม่ได้เป็นก็ไม่ได้ไม่เป็นก็ไม่ได้มีก็ไม่ได้ไม่มีก็ไม่ได้เราจะอยู่ยังไงเว้จะเป็นยังไงมันไม่มีอะไรที่อาศัยเลยในเมื่อคุณยังมีสภาวะอยู่คุณยังมีรูปนามขันห้าคุณมีเหตุปัจจัย คุณก็ต้องมีสิ่งหนึ่งเพราะคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่มีคือสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ไม่มีคุณก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่ไม่มีแม้แต่หยาบกลางละเอียดขนาดไหนคุณก็ไม่มีเป็นอ ก, กินจัญญะจงเกลี้ยงคุณก็ต้องสรุปสภาวะที่คุณจะไม่ให้มีให้ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะี่ก็ขยายความนิดหน่อยในเรื่องวิพัฒนาในฐานะที่คุณตัดเจ็ดศูนย์ห้าผัดพิงมา อาตมาก็ขยายความเพื่อให้นี่เป็นสยังแลิญญาเป็นความรู้ส่วนที่อาตมามีเองมีมาเองของเองไม่ได้ของคู้อื่นมาเพราะอาตมาไม่เคยได้ยินใครอธิบายแบบนี้แม้อาตมาอธิบายแบบนี้พวกคุณตั้งหลายก็ขาวว่าอาตมาอธิบายเอาเองใช่อธิบายเอาเองเขายืนยันส่วนใครจะฟังแล้วเห็นท่าว่าเออดีก็เอาไม่ดีก็ไม่เอาไม่เป็นไรอาตมาเห็นเป็นอัธรรมวาตีคุณก็ไม่ต้องเอา เหตุธรรมวัตรทีคุณก็อเอาเท่านั้นเองอาตมาบอกแล้วว่าอาตมาไม่ได้มันอธิบายเพื่อต้องการบริวารเพื่อต้องการให้มานับถือเพื่อต้องการให้คนมาถือเห็นว่าอาตมานี่เก่งขออภัยแม้ในวัญญสังขารมันมีชิพหายเข้ามาตามเก่งชิพหายแน่เนี่ยมันวัยมันชินมันเป็นวัสนาชนิดหนึ่งมันมันกิมั น, มน <c oughs> ก็เลยบอกไปความจริงไม่อยากจะปิดบังอะไรมันเกิดไปจีนสังขารในใจจริงๆมันอาตมารู้ทัน อตาตมาอตาตมาไม่ได้ให้ใครมาเข้าใจว่าอตาตมาแหมวิเศษวิเศษโซกเกง่งมีอำนาจมีความสามารถมีความรู้ยิ่งอะไรไม่ใช่มีอะไรก็พูดไปตามจริงทำตนด้วยอตาตมาเกรงใจด้วยอ่ไม่อยากจะให้ใครแต่ใครเห็นว่าอตาตมานี่แหมเลยทำเป็นดีขม่มเข้าไปอะไรเกรงใจจริงๆนิงเกรงใจจริงๆนิงแต่ก็ไม่รู้บอกไปแล้วจะเชื่อไม่เชื่อไม่มีปัญหาอะไร <c oughs> แ ล, ล้วลวงตายคุณ แต่เจตุนาบอกว่าทําไมนะทำไมเคยชินมากทําไมมีปัญญาเรียนแพทย์ได้แต่ถึงดันโง่มากๆที่มาบวชเป็นศิษย์เดรัจฉีข้องใจจริงๆข้องใจจริงๆทําไมอ่ะนะเคยชินมากใส่วัสดุกับทําไมมีปัญญาเรียนแพทย์ได้แต่ถึงเด่น แต่ถึงดันโง่มากๆเลยที่มาบวชเป็นสิทธเดร์ธีนะเอ <c oughs> อก็ไปก็ไปไ ป, ไ ป, ไปงงกันแล้วกันไปสงสัยเถอะนะว่ามันจะเป็นยังไงนะอ้าวเอาี้ผ่านไปก่อนที น, นี้ทีนี้โอ้ยเวลาจะหมดแล้วเนาะอ้ามาพูดถึงที่คุณ8705จศูนย์ห้าว่ามาทั้งสามแผ่นเนี่ยประเด็นที่อาจจะมา คิดว่าจะหยิบมาพูดก็มีอยู่สามสี่ประเด็นหนึ่งคุณแปดจิตสุนหนาพูดถึงเรื่องการยกอ้างของพุณเจ้ามาเลยว่าพระพุทธเจ้านี่นะเขาเล่าไปว่ า, าพระพุทธเจ้ากับพระอนนท์ไปเดินตลาดผ่านตลาดแล้วออกมาแล้วพระอนนท์ก็ทูลถามวันนี้จับไม่ทูลถามว่า มันมที่พามันแับแคบอย่างนั้นดูแคบเลยฝูงชนอ่าจะไม่สามารถเสด็จผ่านตลาดนั้นไปได้ก็มาด้วยกันนะเนาะทำไมเสด็จผ่านไปได้เพราะงั้นอพอทูนถามพระพุทธเจ้า ก, ก็ากตรัสตอบว่าเพราะกามชื่อว่าเป็นที่อันแคบแคบตถาคตละกามได้แล้วท่านตรัสเป็นธรรมะทำไมไ ต, ตัดตัดตัดเป็น แต่นี่จำเจิมรถ ต, ตรัสเป็นธรรมมาธิษฐานไม่ได้ตรัสเป็นบุคลาทิฏฐานเลยแต่คุณคนนี้เอาอธิบายของตัวเองไปถูกเป็นตัสเป็นบุคลาธิฏฐานนะโดยบอกว่าตัวเองโอ้โหเดินขึ้นสะพานลอยไปคนแหกทางให้ไม่แคบเลยก่อหอยกว้างให้ไปกว้างเลยเลยนี่ไม่ชิดไปอิทธิฤทธิเดชก็ไม่รู้จะว่ายังไงว่างนะั้นตัวเองอุทานเนี่ยนะผมจำได้นะที่เขาเล่าไว้อย่างนี้อย่างนี้คือเรียนอย่างนี้อาจจะมาว่ามัน ลงทะเลจะเยือกเย็นนั่นเนี่ยมันไปอ่ามันออกไปไหนก็ไม่รู้ออกทะเลไปน้ําลึกไปไหนๆก็ไม่รู้เลยไม่เข้าฝั่งเลยนันเนี่ยนั่งสารนี่คือคือมันไม่ก็อเอาไปเอาตรา ม, ามวิจารณชัดเจนเลยนะวันนี้เขาเอาจะชัดหน่อยอ่าแต่ว่าหนักก็หนักหน่อยอวิจาร์ชัดๆนะเพราะฉนั้นไอ้เรื่องละกามได้แลของพุทธเจา้านั้นน ะ, นะที่ท่านบอกว่าเข้าใจความคับแคบเป็นเรื่องของ นามาทํำในเรื่องของธรรมอาทิฐานโดยท่านจัดถึงเรื่องนความคับแคบนะั้นไม่ได้หมายความถึงเรื่องของตูวตนบุคคลเราเขาไม่ได้หมายถึงวัตถุเลยเพราะฉะนั้นจะไปเดินเข้าไปนี่ท่านก็ไม่มีรชถโกงว่างธรรมดาคนจะมาเบียดมาชนมาอะไรท่านก็มีปัญหาอะไรรดๆนะถ้ามันต้องเบียดยังงั้นจริงๆแล้วก็จําเป็นที่จะต้องผ่านไปนะอ่า มันเรื่องของร่างกายเรื่องของอสภาพนอกแต่ท่านไม่มีการท่านบอกแล้วว่าท่านเองการจะมาขับแคบไอ้การามาันเป็นเรื่องแคบมันครับแคบจะไปอย่างนี้มันจะขับแคบเป็นอุดตันแน่นอนท่านไม่มีอาการอุดันอะไรไม่มีอาการขับแคบอะไรนะสว่างแล้วอ่ะโล่งนึกอะไไปธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นท่านต่อเป็นธรรมาฏิฐานนะไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลมันไม่ได้มีอภินิหารจากที่คุณเป็นคุณเข้าใจเอาเองว่ามาเทียบความรู้เจ้าเลย แล้วก็เห็นทางลง่งไอ้สะพานเขาแยกออกเป็นท้องทางโล่องไปเลยอะไรเงี้ยมันไอ้สะพานมันขยายออกนะพระพุทธเจ้าก็คงจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเดาส่งไปนู่นเลยนะแต่ท่านที่พุทธเจ้าเคยบอกเลยไม่ได้พูดว่าไอ้ทางมันขยายออกคนนีนะนะคืออาตมาว่านะคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยไม่เข้าใจแม้นาฬิกามาสัญญา กำหนดรู้เรื่องกามในใจอาตมาว่ายัางไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าถ้าจะพูดมายามาก็นานแล้วเลยพูดอะไรอาตมายังไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นภาษาบัญญัติที่ซออ้อยๆไรๆว่าเป็นผู้เข้าใจแม้แค่กามมาสัญญาเพราะฉะนั้นในกรารมมาพบกามมาประจอนพก็ไม่รู้เรื่องหรอกที่อาตมาพูดอยอะมากมาเนี่ยคุณแปดเจ็ดศูนหฟังไม่รู้เรื่องซึ่งหาว่าอาตมามั่ว เพราะเขาฟังแล้วสับสนก็าฟังแล้วไม่เข้าใจมันวุ่นไปหมดอะไรว่าพูดอะไรหมายถึงอะไรไม่รู้เรื่องเขาก็เลยว่าอาตมามั่วแท้จริงตัวเองเนะี่ยจับไม่ติดตรงนั้นตรงนี้ไปอะไรเป็นอะไรจับไม่ได้มันมั่วเขามั่วเองเขาว่าโยนมั่วให้อาตมาเขาสับสนคำว่าสับสนนี่คือมันมั่วมันอะไรก็ไม่รู้นะเขาจับไม่ติดต่อไม่ถูกนะเรียนจิ๊กซอไม่ได้สักมนึม่งอะไรนี้เป็นต้นนะ เพราะงั้นคําว่าการของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านละการได้แล้วนี่มันหมายถึงนามธทําขั้นปรมามิตตธรรมเอาจบไปตรงนี้เรื่องการทีนี้เรื่องการบรรลุธรรมการบรรลุธรรมของคุณปต่เจษวุณาเนี่ย ว, ว่าโดยมีอารมณ์พบสันติสุขบรรลุบรุธรรมของคนนี้จำได้นะว่าแม้มีอารมณ์พบสันติสุขน พบกพบสองชิสุขอันนั้นก็เป็นอาการอัตมาบอกได้เราเป็นอาการสร้างอารมณ์สร้างอารมณ์นะเหมือนกับศัพท์สมัยกันใหม่เขบอกว่าแม่ต้องบิ้อารมณ์สมัยใหม่เขาพูดเท่ๆนะจะบิลอารมณ์อสร้างอารมณ์อเป็นอุปท า, านชนิดหนึ่งยึดมัน่นถือมัน่นให้เกิดอันนี้ให้เป็นอันนี้ให้มี น, นี้มันเป็นพบขึ้นมา เป็นภพเป็นชาติก็เกิดภพก็คือเป็นสภาแล้วเห็นไหว่าจะเป็นอารมณ์ว่างว่างก็สร้างอารมณ์อรูปภพว่างๆก็เกิดเป็นชาติเกิดมันจนสาเร็จสําเร็จในจิตเรียกเต็มๆว่ามโนโมยอัตตาแล้วก็เสดสเวทอารมณ์ว่างๆนั้นปั้นจิตมันเสดนะทั้นะงๆที่มันไม่ได้ว่างหรอกตัวเองก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้ว่างอยู่ในภาวะพวกนี้ก็มีอะไรอะไรแต่ทําจิตของตัวเองปั้นจิตของตัวเองภายในอะ่ะ สำเร็จได้จิตขึ้นมาเป็นพบเป็นอรูปพบหรือเป็นมโนไม่อาจตาในสภาวะว่างๆอาการว่างๆสำเร็จได้ดกันเลยบอกว่าโอ้ว่างดีนะมันไม่มีอาการ น, นั้นในนี้ปรุงแต่งอะไรอะไรเขาทำได้ก็มีความสามารถอย่างหนึ่งเหมือนกันน ะ, นะแล้วก็ศึกษาแล้วก็สอนโดยเฉพาะศาสนาที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสร้างอารมณ์นี้กันเป็นพบเปชาติเจอะ รูปประชาน์ก็ดีนะ อ, อรูปประชานต์ก็ดีที่เรียนรู้เป็นรูปประจารูปประจานต์นคือพบทั้งนั้นรูปพบรูปพ บ, พบทั้งนั้นที่สร้างเขาไปในดวังแต่นี่สร้างลืมตาไม่ได้เข้าไปในระวังมาสร้างลืมตาสร้างพบภายในเหมือนกันแต่สร้างในขณะที่ตายนย่างใคร ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่ไม่รับโอโนุณไม่รับอะไรอะไรอ้อมว่าก็ทําสําเร็จนะนี่เป็นอันที่สองที่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้า เรื่องที่สามคือเรื่องการเห็นทุกข์นะคุณแปดเจ็ูนห้าก็เห็นทุกข์เป็นต ก, กะเห็นเป็นต ก, กะเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเห็นทุกข์อ่โดยอธิบายเล่าไปอะไรแต่ไหนเขาเนี่ยนะที่บอกว่าเห็นทุกข์เห็นทุกข์ต่างๆนะเมื่อตะ ก, กี้นี่เร า, าเราไปเห็นว่าคนไม่ใช่ค น, นคือ คืมันไม่รู้จักสมมุติสัจจะหรือปรมาทิติสัจจะในขณะที่สะานในตาของจมูกลิ้นกายข้างนอกกระทบเนี่ยมันก็มีภาวะเหตุปัจจัยแล้วมันก็เป็นสังขารระรูปอย่างหนึ่งเป็นสังขารระรูปตัวตนบุคค ล, ลเราอันนี้คนเอออั น, น้หมาอั น, นี้ลิงเขาก็ต้องรู้ในสมมติสัจจะทั้งนั้น อ, ะอ่ะอ่าก็รู้ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วมันไม่ใช่ปรมัติก็ต้องแยกออกไม่ใช่ปรมาทิต มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นแต่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าบอกว่าต้องอ่านออตรงนี้นิดหนึ่งพอเพื่อนหันมาถามอีกว่าอ่าพอเดินขึ้นสะพานลอยไปด้วยอาการสงบนี่พร้อมกับจิตที่เบิกบานเต็มที่ถึงสันติสุขตอนนี้ถึงสันติสุขอย่างแท้จริงแล้วนะที่กับอุทานขึ้นในใจบ่าโอ้อย่างนี้เองเนาะสันติสุข โดยที่โลกยังคงเป็นโลกใบเดิมเนี่ยอธิบาเฉียดเฉกใกล้ๆที่อาจามาพูดไปนะโดยโลกเป็นโลกใบเดิมที่เคยดูเหมือนจะวุ่นวายนักมันใช่ไมเหมือนจะวุ่นแต่มันวุ่นจริงๆนะแต่บัดนี้ได้กลายมาเป็นโลกที่แสนจะสงบยิ่งนักไปสงบนิ่งยิ่นักมันจะนิ่งได้ยังไงก็มันโลกก็วุ่นวายอะไรอย่นี่สับสนอยู่เนี้เดินอยู่ที่จะพันลอยนึงก็วุ่นวายสับสนอยู่นะได้เห็นเป็นแสนสงบนะ โดยพยายามจะอธิบายจิตตัวเองว่าแสนสงบและเห็นอธิบายไปตัวโน้นโลกสิ่งต่างๆที่เห็นสงบมันสงบยังไงมันความจริงตามความเป็นจริงมันเป็นแต่จิตเราจะสงบหรือไม่สงบนั้นไม่ได้ไปสงบอย่างถูกประมาทเป็นสัญญาวิปรัชไปกําหนดว่าสงบคือจิตของตัวเองตอนนี้ทํำเฉยๆว่างๆได้แต่ไม่ได้หมายความว่าสงบเพราะกิเลมันตายลงไปสนิทแล้วมันหยุดดิ้นในจิตเราแล้วลนี่คือสงบ มันไม่ใช่ประมาทแบบนี้นะเพราะว่าไม่รู้รูปนามของจิตเจจิตจต่างต่างนอบอกว่าอ๋โ อ, โออย่างนี้นี่เองที่น่าเรียกว่าสันติสุขโดยที่โลกก็ยังคงเป็นโลกใบเดิมที่เคยดูเหมือนจะวุ่นนักแต่บัดนี้ได้กลายมาเป็นโลกที่แสนจะสงบนิ่งยิ่งนักรถยนต์ที่เคยเห็นวิ่งกันไปมาก็ดูเหมือนว่าวิ่งแบบไม่ได้วิ่งนีน่คือสัญญาวิปลาสต่างต่าง ท้ากับหยุดนิ่งไปยังไงอย่างงั้นใครก็รู้เยี๋มันหยุดนิ่งมันจะนิ่งได้ไงรถมวิ่งอีเต็มถนนเนอะเนี่ยสัยามวิปลาสคือไม่เห็นสัมมติสมทสัจจะเป็นสมมติทสัจจะสัจจะหนึ่งที่เป็นความจริงไปคิดเอาเองปั้นขึ้นมาว่ามันมันอยู่นิ่งๆเดี๋ยวเธอเดินไปชนมันตายมันวิ่งอยูวนนี้ว่ามันนิ่งเสียงรถเสียงแต่เสียงคนก็ม่รูหายไปไหนหูบอดอีกตาหนวกด้วยว่า เสียงรถเสียงแต่เสียงคนก็ไม่รู้หายไปไหนหมดพร้อมกันนั้นแสงแดดที่เคยแผดเปี้ยงๆตอนเที่ยงมันก็กลับกลายมาเป็นบรรยากาศที่แสนจะสบายด้วยความรื่นรื่นรมยิ่งนักนั่นคือมันแปลรูปเปลี่ยนแปลงีิปลาดสิ่งที่มีจริงไม่มีเปลี่ยนแปลงไปโดยทำเป็นความรู้สึกที่มันมันเป็นภพเป็นชาติที่ปั้นเอาขึ้นมา มันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นรูปคือรูปนาำคือนามมันไม่ใช่เลยแม่มันยากมั้งแนะที่จะเข้าใจเพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษามาแบบนี้เลยและขณะที่กําลังเดินอยู่นั้นสายตาทั้งคู่ของเราก็ห้อยต่ํานำะสายตาห้อยต่ําเหมือนสายตาของพุทธรูป่นะเหมือนสายตาของพุทธรูปพุทธรูปมีสายตาด้วยนะพร้อมกับแปลกใจยิ่งบ่แปลกใจนักที่รู้สึกไม่ได้ เพราะเขาแปลกใจนะัที่รู้สึกไม่ได้เป็นความรู้สึกไม่ได้นะไม่รู้สึกว่าเท้าของเรายังสัมผัสกับพื้นอยู่หรือเปล่าเห็นไหมมันมันคือเป็นคนที่จะเป็นคนจังงังหรือเป็นคนประสาทประสาทมันประสาทมันไม่ทีการมันไม่ไม่รู้สึกรู้สามันไม่อะไรเท้าไม่รู้สึกว่าสัมผัสอยู่กับพื้นหรือเปล่าอ่ามันคงจะลอยเหาะอย่าพูดให้เห็นว่าโอ้นี่มันลอยเหาะนะเนี่ย จนเมื่อเดินขึ้นบันไดามาถึงคอสะพานด้านบนแล้วเราถึงได้เกิดความสงสัยขึ้นมาในใจว่าที่ตะกี้เราไปเห็นว่าคนมิใช่คนเห็นว่าคนมิใช่คนนั้นก็นแล้วมันเป็นอะไรล่ะเออนั่นนาที่ไม่น่าจะงงเลยเพราะว่าธรรมดามันคนก็คือคนจะเป็นคนเป็นหมูเป็นหมาไปไม่ได้่านะแล้วเป็นความว่างก็ไม่ใช่คนที่มันมี ตัวตนคนก็คือคนโดยสมมติทีสัจจะอยู่เป็นตัวตนของคนเราเขาแต่มันไม่ใช่ปรมากเราแยกออกนะก็แล้วมันเป็นอะไรล่ะเราจึงได้เริ่มเพยเยอะเปลือกตาออกมาแม่ไม่มได้ดืมตาอย่างนี้เองมันถึงไม่เห็นคนเป็นคนมันทำตาลิปปีลิปีตาต า, ตาตุาตา่มต่ำมาพุทธรูปว่างั้นนะเราจึงได้เพยเยอะเปลือกตาขึ้นเพื่อจะมองดูว่าแล้วมันเป็นอะไรกันแน่โอ้เพยเยอะเปลือกตาขึ้นดูดีๆอะไรกันแน่ว้า พอเห็นเข้ากับที่กับที่กำลังเดินสวนมานั้นเห็นเข้ากับที่สุดกำลังเดินสวนมนันก็รู้ได้ทันทีเลยว่าอ๋อมันเป็นทุกข์ไอท้ที่เดินมานี่มันเป็นทุกข์โอ้โคเก่งชะมัดเลยเห็นไอ้ที่เดินมานี่มันเป็นทุกข์ไม่กล่าวด้วยนะว่าเป็นคนอะไรเดินมาลังคางุงกระเบื้องเต่า อช่ไหมัเขา้าคำทายกับไอเ อ, อ้ยเดินมาสีขาเดินมาล้ังคาบุงกระเบื้องเต่านี่ก็ไม่บอกด้วยว่าเนี่ยพอเห็นเข้ากับที่กําลังเดินสวนหมาไม่บอกว่าอะไรเนะก็รู้เดี๋ยวทันทีเลยว่าโอ้อมันเป็นทุกข์และเมื่อรู้แล้วก็ปล่อยเปลือกตาลงทันทีพอพอเยอะเปลือกตาขึ้นดูแล้วพอเป็นก้อนทุกข์ก็ปล่อยเปลือกตาลงจะให้ตามันหลิบมันดีมันหลีห ล, ลับลงซึ่งการที่สติ สามารถรู้ได้ทันถึงเปลือกตาโน่นไป็เก่งที่เัวเอรูปเปลือกตาขึ้นเปลืตาลงเลยนะที่ค่อยๆเพย่มขึ้นทีละน้อยแล้วก็รู้ได้ทันถึงเปลือกตาที่ค่อยปิดลงทีละน้อยอีกนะจึงเสมือนหนึ่งว่าในขณะนั้นเป็นหนังสโลโมชั่นในวงเล็บล้านเฟรมต่อวินาทีเบอร์เรล้านเฟรมต่อวินาทีนี่เบอร์เบอร์มากๆ ตั้งตั้งที่อาการเยเยือเปลือกตาขึ้นและปิดเปลือกตาลงใช้เวลารวมกันเท่ากับที่กระพริบตาหนึ่งครั้งนั้นเผยขึ้นไปยงตากับพิภตาหนึ่งครั้งนั้นก็รวดเร็วเป็นปกติอยู่หากแต่เป็นเพราะว่าในขณะที่จิตเบิกบานถึงสันติสุขนั้นไม่ได้มีการสังขารปรุงแต่งเป็นอุปทานหรือเป็นเรื่องราวของบุคคลตัวตนใดๆเลยนี่แหละคือสัญญาวิปลาส กำหนดอะไรไม่เป็นอะไรกำหนดอะไรเพี้ยนไปจากสัตจะแม้แต่ในสมมุติสัจจะยับยาบมนี่นยังเพี้ยนเลยไปเข้าใจว่ามันเป็นไม่มีตัวตนไม่มีอะไรไม่มีอะไรและจะไปกำหนดที่มันเป็นระดับของขั้นปรมาจตรย์สัจจะที่เป็จิตเจตสิกรูปที่เป็นรูปสารพัดที่เป็นรูปที่ต่อเนื่องไปเป็นองปาท์ตายรูปสังขารที่แจกไว้อีกยี่สิบสี่รูปนั้นนะจะเข้าใจเรื่อง รูปนอกมันก็มีแค่สี่รูปมหาภูตรูปรูปทั้งหมดยี่บแปดอีกยี่บสี่รูปนี่เป็นอุปาทายรูปที่แจกละเอียดก็ไปเป็นอาการรูปลักษณะรูปเป็นอ่าะไรอะไรรูปที่เยอะแยะนะแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงเพี้ยนขณะมีตัวตนยังเพียนได้ปิพลาศได้เพราะงั้นไปกําหนดรู้ต่างๆละเอียดไปถึงอาการรูปลักษณะรูปอะไรรูปๆอีกเดี๋ยวอัตมานโนดโนดปาเหมือนกันน่าที่เป็น จะรูปต่างๆเนี่ยแล้วมันจะไปรู้ไ่ะเนี่ยนะเพราะว่ามันพิกนพิการเป็นขนาดนี้นี่มันจะไปสามารถรู้อะไรได้นี่นะนะรูปต่างๆที่เป็นอุปาทายรูปอีกตั้งย4ปสี่าษาทรูปเป็นต้นโคจรรูปหรือวิสัยรูปวิสัยวิสัยทรูปอีกทุกมีอีกตั้งห้าต่อจากรูปเสียงลินเอ่อตองสินรสสัมผัสผลัพเะ เข้ามาเป็นโคจริรูปงนี้เป็นต้นจะไม่รู้เรื่องหรอเพราะมันไม่เป็นตัวตนบุคคลเราเขาแล้วขนาดตัวตนบุคคลเราเขายังเพี้ยนไปแล้วยังเห็นเป็ความจริงไม่เป็นความจริงตามสมุติีศัจดิ์เจรเลยเพราะเขาไปถึกปรมัตัศัจจารนี้อาตมาว่าเหลวแน่ไม่รู้หรอกนะไม่รู้ลักษณะละเอียดไม่รู้หยาบยังไม่อย่าเพี้ยนแล้วสัญญาวิปลาสไปแล้วกำหนดรู้ผิดไปหมดแล้วเ<ต>พราะมัน แค่จะแจกเป็นเพศเป็นภาวะรูปอิทธเพศหญิงเพศ ช, ชายของนามมรทำนะเพศหญิงเพศ ช, ชายเป็นของนามจนปุนลึงนับปุลสกลึงอะไรพวกนี้เนะ่นะอิทีิลึงพวกนี้เลยอิทธิลึงแล้ว่าปุปลึงพวกเนี้ยจะไปรู้ได้ยังไงชีวิตรูปอาหารารูปปฏิเฉทรูปต่างๆซึ่งเป็นรูปต่างๆจะไปรู้ได้ยงไงนะรูปว่างรูปปอะไรยจริงของจริงท้องจริงตามการเป็นจริ ง, ง, รงไม่ใช่ไป คนแท้ๆไปเห็นมาว่างอ้าวมันก็วิปลาดแล้วสิเห็นไหมนี่แหะคือหน้าสงศาร่าไปกําหนดแค่สัญญาวิปลาดอย่างนี้อยู่นี่มันไม่มีทางนี่จะเปเรียนปรมตทสัจจะได้เลยอแค่กําหนดรู้สัจจะธรรมดาธรรมดาสมมติสัจจะก็แยกไม่ออกปรมัตทสัจจะก็ยังแยกไม่ได้นะเลยบอกว่าไม่รู้ไม่เป็นตัวตนบุคคลเราเขาเลย คำว่าไม่เป็นตัวตนบุคคลเราเขาไว้สักวันอัตมาจะอธิบาย ล, ละเอียดไปถึงตรงนั้นแล้วมันจะเข้าใจ <sk ram> แล้วมันหมดความไม่ยึดเป็นตัวตนบุคคลเราเขานั้นไม่ใช่มันไม่เห็นไม่เห็นเห็นอยู่แต่ความไม่มีตัวตนบุคคลเราเขานั้นเราไม่มีความเป็นรรรรรรสัตว์สัตว์นี่คือตัวตนของเราเป็นตัวตนตั้งแต่สัตว์นรกจนกระทั่งถึงสัตว์เทวดาจนถึงขั้นเป็นสัตว์พรหมไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเลย หรือเป็นอาริยะบุคคลก็ดีเป็นปุตชนก็ดีไม่มีเลยในตัวผู้นั้นหมดความเป็นสัตว์นี่เป็นนามธรรมที่ซับซ้อนลึกซึ้งกว่าที่คุณพูดเนี่ยไอ้นี่เรียกว่าไม่เป็นตัวตนบุคคลเราเขาแบบสัญญาวิปลาสนะมันก็ไปกันใหญ่นะเพราะว่าตัวเองไม่ได้ปรุงแต่งเป็นอุปทานหรือเป็นเรื่องราวของบุคคลตัวตนเราเขาเลยนะคุณจะไปปรุงแต่งแทนเขาทําไมคุณ ของคุณต้องหาแล้วจิตของคุณปรุงแต่งเนื้อเป็นจิตขอคุณไม่ปรุงแต่งของเขาปรุงแต่งคุณไปกระทบรูปของเขาไปดูที่รูปของเขาไปดูที่ทูตัวตนบุคคลของคนอื่นเขาแล้วว่าเขาโดยที่คุณไม่ปรุงแต่งกับเขาคุณจะไปปรุงแต่งกับเขาทขําไมล่ะคุณก็ดูที่จิตของคุณมันเป็นรูปของคุณมีกิเลสไปปรุงแต่งไหมและไอการปรุงแต่งที่ว่าเนี่ยมันมีกิเลสเข้าไปร่วมปรุงแต่งเท่า น, นั้นเมื่อไม่มีกิเลสเขาปปรุงแต่งมันก็มีสภาพสะอาดบริสุทธิ์ และกบปรุงแต่งสิ่งนั้นเป็นอภิสังขารอยู่กายสังขารก็มีวัจีสังขารก็มีจิตสังขารก็มีอยู่บริบูรณ์อยู่แต่มันไม่มีสังขารที่ถูกกิเลสเข้าไปร่วมปรุงแต่งเลยไม่มีอะไรสัมพยุตกิเลสอกุศลแลจิตไม่มีสัมพยุตด้วยเลยอย่างนี้ตั้งหาก็คือไม่มีสังขารโอ้จึงสมผลให้สติทําหน้าที่ได้เต็มศักยภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ จะร้อยได้ยังไงก็เห็นคนไม่ใช่คนอยู่แล้วเบลอเพลียอยู่แล้วสามารถที่จะกําหนดรู้ได้ทันกับอารมณ์คือความเกิดขึ้นระดับไปของนามรูปนั่นนั่นนนแน่รู้ความเกิดขึ้นของนามรูปเลยนะตั้งต้งที่รูปยังไม่ภาษาเลยรูปอย่างแท้ๆยังไม่เข้า่าเลยยังไม่เข้าใจเลยเห็นรูปมีเป็นรูปไม่มีไปอยู่นะเป็นมหาพุตธรูปแท้ๆเลยยังไม่มีได้อะตากลายเป็นตาบอดเห็นรูปไม่มีตัวตน แต่ท่านนิตายกับทบลูกนี่เป็นของจริงนะนี่ตาทบลูกเห็นความจริงตามความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เป็นปัญญาเห็นความจริงตามความเป็นจริงมันเบอมันมันมันเทียนสมมุติเอาใหมยคุณไม่เห็นได้นะอาตมาเคยสะกดจิตเคยทําสะกดจิตมาแล้วก็สั่งให้ไม่เห็นอะไรเขาไม่เห็นจริงๆลืมตาขึ้นมาเป็นคนปกติเนี่ยอยู่บนโต๊ะเนี่ยมี แ ก, แก้วน้าําแก้วน้ําเป็นแก้วน้าํามีอะไรอยู่บนโต๊ดด้วยมีไม้บรรทัดมีอะไรเราก็สั่งให้เขาหยิบให้เขาหยิบแก้วน้ําให้ซื้อบนโต๊ดนี่มีแก้วน้ําเขาไม่เห็นพราะเราสั่งให้ไม่เห็นไม่เห็นอะไรขึ้นมาเขาไม่เห็นบนโต๊ะเขาเห็นแต่โต๊ะแต่เขาไม่เห็นแก้วน้ําเขาก็ความเขาไม่มีคว่ำไปถูกแก้วน้ําตกเพ่งเลยแต่เขาก็ตื่นขึ้นมาเขาก็ออกจากพวังออกจากจิสะกดจิต หรือสั่งให้เห็นที่อาตมาทําอาตมาสั่งให้เห็นบว่าอาไรสั่งข้างหน้านี่นะมีเสือพูกจะว่าเป็นเสือเลยนะแต่ก็ให้เขาลืมตาขึ้นมาวิ่งเลยลุกต้องจับกันบอกแล้วก็ต้องให้เขาตื่นนะเดาเราไม่มีเสือเสืออะไรนี่คือจิตนี่คือจิตอาตมาแค่นี้เป็นนิยสานนะ อตาตมาตอนนั้นเล่นสกัดจิกันเรียนสกัดจิกันอยู่ทำนี่ทดสอบแล้วเรียนแล้วฝึกการทำเรื่างนี้เป็นต้นจิตนี่มันเป็นได้สารพัดเป็นได้จริงต่ อ, อให้คุณบอกว่าคุณจะแต่แค่กําหนดความรู้สึกเอาเองโมเมว่าที่จิตมันมีอยู่แต่คุณก็กว่ามันไม่มีมันว่าโลกคุณก็ไปยืดอยู่ที่เออพบอ่าอากาซ่าเรื่องพบอันนี้มนโนมยภาพตาที่เป็นบางๆในคนก็นนึกว่ามันสบายบว่างโลกหรือให้คุณไม่เห็นจริงๆเลย ตัวคนต่างๆหายไปเลยเป็นได้เรียกว่าอุปาทานเป็นได้สึ่งอย่างนี้ลึกเกินไปที่ขออภัยคุณแปดเจ็ดศุนย์ห้าที่จะต้องต้องเรียนให้มันถึงมันลึกเกินดูสําคัญอยู่นะเพราะงั้นการเห็นนามรูปนามก็เพี้ยนรูปก็เพี้ยนอย่างนี้เนี่ยยากที่จะศึกษาธรรมะได้บรรลุนะนะเพราะงั้นที่บอกว่า มันมันเป็นทุกข์แต่กลับเป็นสงสัยขึ้นมาใหม่ว่าอะไรเป็นทุกข์เล่าจึงได้เผยเปลือกตาขึ้นมองใหม่ครั้งพอเห็นนามรูปที่กําลังเดินสวนมาปุบ๊บก็รู้คําตอบได้ทันทีเลยปั๊บว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนนี่จะตะ ก, กัดทางนั่นเลยก็ตัวตนเขาโทโลอยู่นี่มีเนื้อมีหนังอยู่นี่ยไม่ใช่ตัวต น, นตัวตนที่มีมหาพุทธรูปด้วยกําลังเดินกําลังดินดน้นรน แล้บอกถูกด้วยนะว่ากําลังดิ้นรนนะมิใช่ตัวตนกําลังดิ้นรนแล้วไม่มีตัวตนแล้วมันเอาอะไรมาดิน้นผู้ขัดแย้งไหมนะรู้ตันตีตอบได้ทันทีแล้วว่าสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนนะเมื่อไม่ใช่ตัวตนมันก็ไม่มีดิน้นมันก็ศูนย์ใช่ไหมสุญญตาใช่ไหมที่ไม่ใช่ตัวตกาลังดิ้นเพื่อสร้างความเป็นตัวตนให้เกิดขึ้นกับตัวเองอ๋อ แม้พูดสัทเทเลยนะเพื่อสร้างตัวตนขึ้นคือตัวเองเขาเป็นของเขาอยู่เป็นตัวตนของมหาภูตารูแต่คุณพ่าไปบอกเขาพูดเอาอะไรมาพูดว่าเขากําลังดิ้นจะให้เกิดตัวตนเขาไม่ดิ้นมันก็เกิดอยู่แล้วตัวตนของมหาภูตารูของเขาเกิดอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งอาการที่ดิ้นรนนี่แหละคือทุกข์คุณไปรู้ได้ยังไงเขากําลังสุขก็ได้ที่เขาเดินอยู่นั่นน่ะดิ้นดินอยู่นั่นน่ะ คุณไปรู้ได้ยังไงว่าเขาทุกข์และท่านก็นไม่สอนนะว่าคุณไปรู้ทุกข์ของเขาเขาถ้าคุณเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ของคุณทุกข์ในใจของคุณที่จิตคุณไม่ใชใ่คุณไปรู้เท่ไไ้แสรู้คนจิตคนอื่นทุกข์ไม่ใช่ขอยืนยันว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นไปเห็นคนเขากาลังทุกข์เราดิ้นรนอยู่นั่นทุกข์ไม่ใช่ใ น, นคุณค่าคะแนนในคุณตักกะ ท่านส อ, อนให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าอาการทุกข์มันเป็นอย่างไรที่จิตเจตสิกของคุณกําหนดรู้เราไปเป็นทุกข์ในตรงที่เวทนาเป็นความรู้สึกเป็นอาการของทุกข์ที่เรียกโดยคําภาษาวิชาการวณาเรียกว่าทุกขเวทนาบางคนอ่านอาการเป็นทุกขเวทนาออกคุณก็จะต้องหาเหตุที่มันเกิดทุกข์อันนี้ให้ได้ เมื่อได้แล้วระ ง, งับเหตุคุณก็จะเป็นการทําเนกขมมะแต่ถ้าคุณยังกําหนดรู้ตัวเหตุที่พาทุกข์ถ้าองค์รวมก็เรียกว่าทุกข์ก้อนเวทนามันผสมกันปรุงแต่งมันจอเกิดเป็นทุกข์พอจับแยกเหตุที่มันพาให้ทุกข์ได้โดยมันไม่มีอารมณ์เป็นฉุขหรือเป็นรถอื่น มันเป็นก้อนทุกขที่เป็นความรุอยากอูเป็นตัญหาอยู่จริงๆเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วมันก็ดิ้นยากไต้ตามอยากมันดิ้นไม่ได้มันก็ดิ้นดนนั่นแหละมันทุกตัวดิ้นในตัวทุกข์และคุณก็ระ ง, งับตัวนี้มีคําพนาก่อนก็ตามกดข่มมันไม่ให้มีตัวนี้ดิน้นมันก็พักที่ว่าวแต่อันนี้ไม่ใช่เนกขมมะไม่ใช่เนกขมมะเนกขมมะคี่จะออกจากหลุดพ้นได้ นี่มันไม่รุดคุณกดข่มมันไว้วิธีคำพนประหารมันคุณจะต้องรู้มันด้วยว่าเออด้วยปัญญามีไฟปัญญามีไฟเจ้าวิชานไฟปัญญาละลายสึ่งอันนี้ไปถ้ามันไม่มีตัวตนเลยมันไม่มีอาการจริงๆคืออาการของจิตมันหายไปมันเป็นนามธรรมมันไม่มีรูปร่างตัวตนมันไม่มีดินน้ำไฟล้มมันไม่มีเส้นแสงสีเสียงอะไรไม่มี ไม่มีตัวตัณหาเนี้ยมนไ่มีอารมณ์ไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยเป็นอาการที่เห็นได้บดินเมื่อคุณเกิดปัญญาอาการดิ้นหายไปหลับๆเรียกว่าจะถังคประหารไปเป็นปสติประหารหรือเป็นสมุทเฉดตรประหารทําได้เด็ดขาดทําได้ขาดหายไปเลยมันก็ไม่มีก็เรียกว่ามันสงบปัจจิประหารทําสังสมปสัจฉิตนี้ให้มากๆ ทำทวนแล้วทวนอีกเป็นปฏิปสัติเป็นปฏิปฏัเป็นปฏินิสักธะหรือปฏิปสัติปฏินิสักธะทำทวนอีกมันก็จะแข็งแรงสมบูรณ์การดิ้นรนนี้แหละคือทุกนางเล็บถึงตอนนี้ต้องบอกโพธิรักษ์เสก่อนนะว่าขณะนั้นพศสองพันห้ารอยี่กเรายังไม่เคยเรียนหรือได้ฟังธรรมะไดๆเลยจึงย่อมไม่เคยได้ยินคาว่าอนัตตามาก่อนด้วย จะบอกว่าอันี้คืออนัตตาเขาจะบอกว่านี่เขาเห็นอนัตตานี่คืออนัตตาเอาไวล้วปิดซึ่งในระหว่างที่กําลังเดินอยู่บนสะพาน ล, ลอยเพลเย่อเปลืองตาเพียงแวบเพื่อมองดูนามรูปที่สวนมาอยู่นั้นแม่พระพุทธเจ้าองค์ไหนน้อสอนไปดูนามรูปคนที่สวนมากะเราท่านได้ดูนามรูปของตัวเองนะ <c oughs> ก็ยังอดแปลกใจไม่ได้เลยว่าทําไมนามรูปทั้งหลายถึงได้ ได้เดินออกกันน่ะและของเขาเนะี่ยมันมไปเห็นเขานะี่คุณพูดขัดแยง้งไม่ใช่ตัวตนเห็นแล้วก็เห็นทันทีรู้ได้สักว่าทั้งนั้นเลยว่านามรูปกาลังเดินสวนปั๊บมานี่ได้คําตอบทันทีว่าสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเสร็จแล้วก็บอกว่านี่ทําไมนามรูปคนนี้มาเดินเดินออกกันนักแล้วมันไม่มีตัวตนมันออกกันยังไง แเรียนภาษาไทยใหม่ดีไหมเนี่ยคุณพูดภาษาของคุณมาเนี่ยมันเป็นภาษาไทยที่มันมันไม่ถูกภาษาเนะีนะ่ยแปลใจไม่ได้เลยทบไม่ได้ไม่แปลใจไม่ได้เลยว่าทําไมนามรูปทั้งหลายถึงได้เดินออกกันนัน่นทั้งทางขึ้นซ้ายและด้านขวาของสะพานลอยเท่านั้นก็คนมันก็ต้องขึ้นสะพานเนี่มันมีอยู่ที่สะพานมันกําลังขึ้นสะพานมันก็เดินออกกันไป แค่นี้ก็จะไปทําความสงสัยงงโอ้นางสารนะคุณไก่จัจจุนณะนี่ยโดยท้ายก็ว่าน้ำรูกทั้งหลายนั้นต่างมีเจตนาร่วมกันที่จะเปิดช่องตรงกลางเห็นไหมอปินิหารแล้วน้ำรูกทั้งหลายนั้นมีเจตนาร่วมกันที่จะเปิดช่องตรงกลางตลอดแนวยาวของสะพานลอยไว้จำเพาะให้แก่เราเพื่อที่เราสองคนจะได้เดินได้โดยสะดวกนี่แหละคือแปลความว่า ทางแค่ที่อุตสาหไปเอาของมูลนิยมที่จัดกับพระอนนนว่ากรมนั่นเป็นทางขับแคบเป็นสิ่งขับแคบเราละการมได้แล้วก็หมดความขับแคบซึ่เป็นนามาทำทั้งสดๆเลยเป็นนามาทำทั้งนั้นเป็นสมาธิฐานแต่คุณแต่เจ็ดสือ น, นี่เอามาเป็นปุกราทิฏฐานคนกําลังแหวกทางให้กว้างไม่ให้แคบเดินให้มีหลีทางให้นะ เพื่อที่เราสองคนจะได้เดินได้สะดวกยังไงยังงั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่นา่าจะเป็นไปนได้อยู่แล้วเพราะปกติคนเมืองหลวงหรือแม้แต่จะเป็นคนบ้านนอกก็ตามก็ไม่นา่าที่จะใจดีถึงขนาดเปิดทางให้เช่นนี้ได้นี่คนเปิดทางเนี่ยอีกทั้งเราก็ไม่ใช่บุคคลจําคัญหรือเป็นพระเจ้าอยู่หัวโอ้ยนี่จะหลงตัวขนาดหนักเลยนะโอ้โหนี่เราไม่ได้เป็นคนดีคนดีอไอเลยไม่ได้ใหญ่ได้โตเลยนะทําไมเขามาให้เราเดินลีกทางให้เรา ที่ประสมคนิกรย่อรู้สึกเคารพเทิดทูนพระองค์พร้ อ, รท อ, อร ม, รมที่จะเปิดทางให้เสด็จอยู่แล้วแต่สำหรับเราเพื่อหาเหตุผลเมื่อหาเหตุผลไม่พบแล้วคืนไปที่สรุปว่าบนสะพานลอยก็ดูเหมือนจะเปิดเป็นช่องทางกว้างตรงกลางไว้จำเพาะให้แก่เราเดินนั้นจึงน่าจะเป็นปาฏิหาริย์ซะมากกว่าเห็นไหมล่ะ <c oughs> แบบนี้ศึกษาไปมากๆอาตมาว่าอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลนะเนี่ยโรงพยาบาลจะแถบแถ พรธุมได้ทั้งมังนน์อะไรนะเนาะซื้อถ้าไม่ใช่ปฏิหารแห่งทำแล้วสะพานรอยจะสามารถยืดออกได้เองเช่นนี้อย่างไรเล่าโอ้สะพานรอยยืดอีกนะร้อนไหมบอนอนนี้ก็บอกว่าจิตรลอนเออคืออย่างนี้นะเป็นการศึิษาขออภัยนะอัตมาชี้ให้ชัดสแสดงนักาจาักขีตวารทิตตะให้มันชัดอัตมาไม่ต้องการจะข่มดูถูกดูแครนะไรหร สงสารพูดคำใดก็พูดสงสารด้วยใจจริงนะอาตมาไม่ได้เป็นลกลูดูถูกคุณเลยพูดด้วยภาษาโวหารเท่านั้นแต่ใจมี่สงสารว่าโอ้ไปสงไปเข้าใจผิดอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะเข้าที่เข้าทางสักทีหนึงเมื่อไหร่มันจะสำมาทิฏฐิคือมันหลงทิศหลงทางออกไปใหญ่เลยนี่นอกจากอะไรแต่ต้นที่อาตมาพูดัต่กลา ม, มามาไล่ถึงอะไรมากําหนดรู้เ อ, อทุกข์แล้วกําหนดรู้เห็นรูปนามอะไรนี่มา จนมากลายเป็นปาฏิหาริย์แล้วตอนเนี้ยนะซึ่งพวกหัววิทยาศาสตร์กาอย่างเมาส์เจอตรงโพธิรัตแต่โง่กากับเลยนะอ่าเมาส์เจอตรงก็โง่โพธิรัต ก, ก็โงย่อมจะไม่เชื่ออยู่แล้วไม่เชื่อไม่เชื่ อ, องี้อยู่แล้วแต่เมื่อดูจากเพราะแต่เป็นอทิพพระอ น, นุลเดินตามเสด็จพุทธเจา้าพระอนลก็ยังอดสงสัยไม่ได้เลยนั่นอ่ามยึดตึงทันทีว่าพระอ น, นุลเรื่องที่ล่ามาตั้งต้น ทำไมเนอะพระองค์จึงสามารถเดินผ่านตลาดอันเป็นที่อันแคบแคบได้ออท่านพูดถึงนามาทรมนั่นก็ไปเขาเ้าใจคนอินเดียนี่นะนักบวชนี่เขาหลีกให้เขาหลีกให้ทําไม่ไอ้ น, นั่นเขาจะเคารพนักบวชกันมากอินเดียและนี่ยิ่งพระพุทธเจ้าถ้ายิ่งมีเรรมานาัสารูปสีนาเคารพนั่นนะไม่ต้องหองเลย ซึ่งก็คงได้เห็นปาฏิหาริย์แห่งมิมุชเช่นเดียวกันถ้าบอกว่าจะเอารูปธรรมมันก็จะเป็นบ้างแต่มันไม่ใช่อย่างที่เขามายหรอกพระพุทธเจ้าจะตรัสกับพระอนรโลมตรัสถึงนาธรรมมาที่ฐานเพียงแต่ทรงเลี่ยงที่จะไม่ตอบเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์เท่านั้นเองเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านี่แสดงปาฏิหาริย์นี่มีคนหลีกทางให้เป็นแถวแถวจีทีเลยนะเรียกว่าสะพานยืดยาวออกไปเองเลยนะนอ่าอ่าเช่งเช่นเดียวกันกับที่องคุลมานวิ่งเร็วสักเท่าไหร่นะ ก็ไม่อาจจะตามท่านพุทธเจ้าได้เลยและหลังจากที่อ่านพระจุมพรโรแล้วเราถึงได้รู้ว่าสภาวะที่เบิกบานถึงสันนิษฐุขรนั้นพระเจาธรมท่านเรียกว่าวิมุตต์นนี่ใดวิมุตต์นะอันเป็นนิรามิตศุกร์ที่ไม่ต้องอาศัยสุขจากอาิตต h หรือคือการมาคุณเลยน้อยเอาการมาคุณมาพูดไม่เกี่ยวกันเลยคนนมันเดินตัวตนออกห่างไปหลีกทางให้คุณถ้าเขาจะหลีกทางให้คุณมันไม่ใช่กามคุณเอาตัวตนบุคคลเราเขามาเป็นกาม โอ้ยเมื่ อ, อไหร่นี่มันจะเข้าเป้าสักทีเนี่ยผิดฟ้าผิดตัวไปไกลลิบเลยนะและยังรู้ได้ว่าในวิมุตต์นั้นสติย่อมแก่กล้าเต็มพิกัดก็ปล่อยเหตุที่ไม่มีสังขารการปรุงแต่งที่พูดออกมาเนี่ยปรุงแต่งคิดพูดเอามาพูดเป็นตูกเป็นตะทั้งนั้นมีทั้งอภินิหารมีทั้งอนันต์หลีไปอนันต์หลีมาอันนี้ว่างอันนี้มีตัวตนก่อดทุกข์กันรูนกันวุ่นวายอะไรทั้งนั้นเลย <c oughs> ออาตมาก็ อัตอมาไม่ได้โกรธที่เคยไม่ได้ไม่ชอบใจอะไรเลยนะถึงได้หัวเราะออกมาเนี่ยนะมันรู้สึกว่ามันเออหนาวสายแล้วมันก็คำ้คำค้ข้าใจไปได้สารพัดสารเพมันคล้ายๆกับที่ อ, อม่ำจกมกหรือว่าใครกำลังเล่นอะไรต ะ, ะไลให้ดูเนี่ยมันคลายย้ายๆเงั้นจริงๆมันดูแล้วมันเออเนาะ อาทีนี้มาพูดถึงไล่เข้ามาอีกราะว่ า, าแล้วบอกว่านี่แหละคือกล่าวคือสามารถเห็นรูปก็เป็นรูปกับมาอีกแล้วสามารถกำหนดรู้ทันกับอารมณ์ปัจจุบันนั่นเทียวรู้อารมณ์ปัจจุบันเลยนะกล่าวคือสามารถเห็นรูปก็เป็นรูปเห็นนามก็เป็นนามซึ่งการที่เห็นเป็นแต่นามรูปที่กำลังเกิดขึ้นดับไปนี่แหละเห็นเกิดขึ้นดับไปด้วยนามรูป นะแมอัตมาไม่รู้จะว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวก็อธิบายย่อชื่อว่าข้ามพ้นมิชาทิฏฐิที่ก่อนเคยเห็นเห็นด้วยอุปทานเราเรียกฟังหัวว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขาโอ้เป็นตัวตนบุคคลเราเขานามรูปพวกนี้จะหมดตัวตนบุคคลเราเขาคุณต้องหมดความเป็นสัตว์อย่างที่อัตมาว่าแล้วว่าอย่างน้อยสัตวว่าเก้าที่จริงขยายความจากสัตว์ว่าเก้านี่มีเยอะเลยเป็น อ่าอวบติเทก็ไม่รู้ตังเท่าไร่เป็นสัตว์พรมอีกก็ไม่รู้ตังเท่าไรสัตว์นรกก็ไม่รู้ตังเท่าไร่แต่เท่นย่อไว้แค่สัตว์ว่าด้าโดยสรุปให้ดูกายกับสัญญาเป็นหลักองค์ประชุมประชุมยังไงอ่าเป็นสัตว์นรกประชุมยังไงองค์ประชุมกายโยเทวกายโยเทวกายหรือธรรมกายนั้นมันธรรมกายนั้นมันเป็นยังไง ก็ต้องรู้องค์ประชุมของพรหมองค์ประชุมของเทวะอ่าที่เป yeah, ็นนามธรรมนะไม่มีตัวตนบุคคลนอเขานะหมดความเป็นสารก็หมดไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาอ่านี่บอกว่ากลับมาบอกว่าเห็นรูปเป็นรูปเป็นนามเป็นนามทั้งท่านที่คุณพูดมานั้นไม่ได้เป็นเลยไม่ได้เข้าเป้าว่ารูปรูปเป็นนามอะไรเลยรูปเทโาเท่แท้ๆคุณก็บอกว่าไม่มีรูปไม่มีรูปไม่มีตัวตนไปโน่น คนไม่เป็นคนแล้วก็โมเมไปตีขลุ่มาเป็นก้อนทุกข์อีกไอ้เมเห็นเป็นตัวตนเห็นเป็นก้อนเลยนะไอ้ทุกข์เป็นก้อนๆด้วยนะทุกข์นี่เป็นนามทาทำอาการทุกข์นี่เป็นเวทนาแต่จิตเยตสิกซึ่งอัศรีรังอ่ไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีสีไม่สาม ร, รู้ได้โดยอาการวิงการนี้ไม่อุเทศเอ่า อ่าฉับพันนั่นเองน้ำรูปหนึ่งที่กําลังซ้อนมอเตอร์ไซค์อีกตอนหนึ่งนะอาตอมาขอตอนนี้ขออภัยนะเลยเวลาไปหน่อยหนึ่งก็ต้องเอาไปก่อนเอ้า <c oughs> น้ำรูปหนึ่งที่กําลังซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่ได้หันมาทางเราพลดีนะเพราะนั้นเดินข้ามถนนอพอข้ามถนนทันทีนั้นก็ฉับพลันก็ได้เห็นเลยอ่มีน้ำรูปอันนึงกําลังซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาอาอ่ า, อา ได้หันหน้ามาทางเราพอดีพร้อมกับกําลังคิดว่าฉันสวยไหมหเห็นเขาพอเห็นซ้อนมอเตอร์ไซค์มาอย่างรู้ใจเขาเลยว่านี่ฉันสวยไหมจะมีใครมองฉันบ้างหรือเปล่าเนี่ยอ่านใจของคนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาซึ่งการที่เราเห็นนามคือความคิดนั้นเห็นนามไปเห็นนามคนอื่นนะไปเห็นนามของคนข้างนอกนั่น ซึ่งพระพุทธเจ้าทำเคยสอนเลยแม้แต่ภิกษุสาติเนี่ไปเห็นวินญาณล่องลอยอยู่ข้างนอกท่านก็บอกมันจะาเลยเนะ่ยพระพุทจ้าเคยสอนที่ไหนมาตูคําสอนท่านให้มาอ่านเมื่อมีผัสสะน่ตาเห็นรูป เ, รกเกิดวิญ ญ, ญาณ น, นี่อันวิญญาณเดินวิญญาณตัวนี้แล้วแตกออกไปเป็นเจตสิกสามเวทนาสัญฉานวิญญาณแตกออกไปเป็นเจตสิกสามแล้วก็แตกเวทนาเป็นยังไงสังขารมันกาหนดรู้ต่างๆให้ได้สังขารมันเป็นยังไงวิญญาณเวทนามันเป็นยังไงก็รู้ใน สามใจจะสิกหลับนี้ซึ่งแตกออกไปอีกเยอะแยะไม่รู้่าไปรู้คนอื่นคิดอะไรฉันสวยไหมก็เห็นได้พร้อมกันกับที่เราเห็นรูปนั่นแหละบอกว่าซึการที่เราเห็นนามคือความคิดก็เห็นได้พร้อมกันกับที่เราเห็นรูปนั่นแหละคือพุทโนกำลังวดรูปกับนามโดยที่รูปย่อมประจักษ์ชัดอยู่ตรงหน้าเช่นใด นามคือความคิดนั้นก็ประจักษ์ชัดได้อยู่ตรงหน้าเช่นนั้นเช่นกันนามรูปเหมือนกันหมดนะไม่แตกต่างกันเลยแถมยังรับรู้ไปพร้อมกันได้อีกด้วยเอรู้ด้วยนะรู้รู้เลยว่ารูปกนามเหมือนกันเมื่อกำลังคิดนะคิดอย่างนี้นะคือมั่วพนไปหมดเลยนะพร้อมกันอีกด้วยแต่เมื่อรู้แล้วก็ผ่านเลยไปโดยไม่ได้ใส่ใจพอรู้แล้วก็ผ่านเลยไปมาอธิบายของตัวเอง แต่เมื่อรู้แล้วก็ผ่านเลยไปไม่ได้ใส่ใจเพราะสติทําหน้าที่แค่กําหนดรู้คือรูปรับรู้ณปัจจุบันขณะอย่างต่างเดียวฉะนั้นรู้ปัจจุบันขณะอย่างเดียวจึงไม่ได้มีเรื่องราวของอัตราตัวตัว ต, วตนใดๆอันเป็นสังขารตรุงแต่งที่เกิดขึ้นเพราะด้วยความนึกคิดนึกมาเจือปนอยู่ด้วยเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาหรือของเราจิตเองก็ไม่คิดนึกตรุงไปทางใดทั้งสิ้นเพราะโดยลําพังที่อยู่ในความสงบสันติสุข ก็ย่อมสุขบริบูรณ์แล้วเหนือก็สุขใดในโลกทั้งหมดจึงย่อมไม่มีความนึกคิดถึงเรื่องราวอะไรอีกแต่เมื่อเวลาผ่านไปสัตว์พักใหญ่สิ์ของเราก็ได้กเกิดความยินดีพอใจในสุขนี้ขึ้นมาเปลี่ยนไปเป็ น, ปนพิจารณาใหม่เห็นเห็นจิตพอใจในสุขนี้ขึ้นมาจึงทำให้กิเลส ข, ของสติไม่แมกลังจึงทาให้กำลังของสติที่จะได้รู้ สติที่จะได้รู้อ่อนลงเพราะเผลอไปนั่นเองจึงย่อมรู้ไม่ทันต่ออารมณ์ณปัจจุบันและซ้ํายังจะให้เกิดจิตสังขารคือคิดปรุงแต่งแทรกขึ้นมาอีกว่าที่ตะ ก, กี้เนี่ยเราสามารถไปรู้ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นคิดอะไรนี่ก็เท่า ก, กับว่าเราเป็นผู้วิเศษแล้วสินนะและทันทีที่เกิดความคิดนึกว่าเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราขึ้นมานี้ ความสงบ ส, สันติสุขก็ได้หายไปทันทีทันใดเหมือนกันและจึงต้องกลับมาเป็นเหมือนคนทั่วไปอีกครั้งกลับไปปมาทตอนนั้นเป็นผู้วิเศษตอนนี้เป็นคนธรรมดาซึ่งจากเรื่องที่ของเราที่ได้บรรจงเล่ามานี้เชื่อว่าบรรจงเล่าเพราะว่าเรียบเรียงกันมาเยอะดีคิดว่าน่าจะเปิดหูเปิดตาเปิดปัญญาให้กับโพธิรัก์บ้างมี ขอขอบคุณอาตมาได้เข้าใจและมีปัญญารู้คุณลึกขึ้นมากขึ้นจริงจริงรู้ละเอียดขึ้นจริงๆจากที่คุณเล่าจริงๆคุณเปิดปัญญาให้อาตมาจริงๆนะว่าคุณคือใครเป็นอย่างไรแล้วน่าสงสารแค่ไหนเห็นจริงๆว่าคุณยังอยู่ในสงสารอีกนานคุณจะอยู่ในสงสารอีกนานถ้าเพราะว่าเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนี้นะอ่า ซึ้นจากเรื่องจริงที่เรามันจงเล่ามานี้คิดว่าน่าจะเปิดหูเปิดตาเปิดปัญญาให้กับโพธิรักบ้างดีกว่าไปซ้ําเติมกันใช่ไหมไม่ได้ซ้ําเติมหรอกนเป็นซ้ําเติมหรอกเล่าสิ่งที่คุณเองเป็นให้อัตมาฟังอัตมาเขาเลยเกิดปัญญารู้จากคุณมากขึ้นจริงๆและอย่าลืมว่านี่เป็นเรื่อง2526ที่เรายังเป็นปุถุชนอยู่เล่าไปเล่ามาเป็นปุถุชนนะแต่มีวิมุติ นะแต่ถ้าจะเอาเรื่องที่เป็นอริยะตั้งแต่ 2,535 มาเล่าแล้วก็นี่แสดงว่าเป็นอริยะเมื่อ 2,535 เมื่อธรรมะที่เป็นโล ก, กุตระแท้ๆนั้นถ้าพูดกับอริยะด้วยกันแล้วง่ายมากแต่ถ้าคืนไปอธิบายให้ปุถุชนฟังคงต้องกดเ m เเมกั น, น bye. จนนิ้วล็อกบ่าย อาตมาก็ขยายความควาสสมควรเวลามันหมดแล้วก็เลยจำเป็นที่จะต้อง stop เป๊ะ stop pass น yeah. ะ <c oughs> stop เป yeah. <c oughs> ๊นะก็ P E D ไม่ต้องเป๊กที <c oughs> ถ้ามีผู้ไปค้นพบดูหลักฐานในพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าไปเดินตลาดกับกว่าการบวกขับแคบรัก็ว่าไม่มีคำเหล่านี้เลยครับว่างั้นเอานะามันเป็นไปได้ผู้ของพระพุทธเจ้านั้นจะมาฟังขึ้นฟังได้ฟังเข้าใจนะไม่มีปัญหาหรอกนะอาจจะอยู่ในเล่มไหนถึงคนคนพบไม่พ บ, พบอนะของคุณคนไม่พบเองไปว่าเขานะ เอาละอัตามาเลยเวลาไปตั้งหลายนาทีแล้วสาหรับรายการที่พูดกคนเดียวเองนะพเพราะงั้นตอนนี้ก็ตอบประเด็นและกันมีผู้ส่งประเด็นมาแล้วนะก็คงจะมีคําถามคําตอบที่เกี่ยวเกี่ยวที่จะพอได้อธิบายอยู่ประเด็นที่อัตามาคิดว่าอยากจะอธิบายขยายความให้คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าได้ฟังอีกบ้างก็คือคำว่ารูปคุณนามซึ่งจะต้องอธิบายกันอีกนานนะก็คงจะได้ฟังได้อธิบายกันหลบเมันไม่ใช่ว่าจะต้องตอนนี้เท่านั้นตอนไหนไหนก็ได้ นะเหมาะตอนไหนก็อธิบายได้เลยนะเพราะว่าทุกอย่างก็มีใตรูุปกำมนามนั่นแหละนะอ้าวบอกเบอร์โทรศัพท์ตามธรรมเนียมก่อนนะในผู้ที่จะส่งประเด็นเข้ามาเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์สองหมายเลขที่จะส่งประเด็นเข้ามาคือ0885859115กับ0885859116 าสองหมายเลขอาวทวนอีกทีหนึง่งศู8ย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้ากับศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกอาอ้าวนี่ก็บอกเบอร์โทรศัพท์ผู้จัดส่งประเด็นเชิญส่งเข้ามาได้เลยเรื่อยมีผู้ส่งเข้ามาไม่มากนะแต่ก็พอเพราะเวลามันเหลือไม่มากแล้วก็คงจะ อาจจะตอบไม่หมดก็ได้ทีนี้หรือว่าจะตอบหมดก็ไม่รู้ถ้าตอบเร็วก็หมดเผ่นแรกนี้บอกจากนัว่ามินซอยใสบาดซอยใสบาดนี่คือซอย46ของทัติยโกเราหนะ้าซอยขัตติยโกมีสามซอยที่เข้าถึงทัติยโกเลยมีซอย44 46 48 ซอยกลางนี่อาตมาตั้งชื่อว่าซอยใส่บาทเพราะว่าถึงมันเจ้ากันทิศนี่คนมาใส่บาทเต็มเลยนะซอยใส่บาทเลยเรียกชื่อซอยใส่บาทหนึ่งะจะตรวจสอบความเข้าใจว่าทานั้นตัวเองจะสอบความเข้าใจนามกับนามมาทำนามกับนามมาทำมีความหมายอย่างเดียวกันคือหมายความว่าตัวรู้ธาตุรู้ซึ่งก็คือจิต เจตสิกนั่นเองอ่านี่ตัวสอบอ้าวก็ถูกต้องนะนามกับนามธรรมาก็เขาขยายคำว่านามกับนามธรรมให้ฟังนิดนึงมันมีคำสองคำอันหนึ่งอันหนึ่งมันมีคำเดียวคือคาว่านามนามมันก็แปล ว, ว่าตัวรู้รือธาตรู้นั่นแหละอ่านี่คือจิตเจตสิกแม้รูปก็เป็นรูปที่หมายเอาสภาพที่ถูกรู้เช่น เวทนาเวทนาเนี่ยเป็นนามแล้วก็มันถูกรู้ขึ้นก็เรียกว่านามมารูปนั่นเรียกว่าเป็นรูปแล้วพราถูกรู้มันไม่ใช่ตัวรู้มันไม่ใช่ตัวปัญญาแต่มันจบมันเป็นมันเวทนามันรู้สึกอย่างนั้นนะ่ะมันรู้สึกสุขมันรู้สึกทุกข์แล้วก็มีญาาปัญญาไปอ่านไออาการสุขอาการทุกข์ของตนเองนี่ออกนี่คือการ เห็นรูปเห็นนามเห็นรูปคือตัวนามมาทำนั่นนะ่ะมันถูกรู้แล้วไอ้ตัวนามมาทำนั่นจริงๆมันเป็นนามมันเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์สับสนไหมอ่าตัวนามมาทำของเราเองนะี่น่ะมันมีอาการสุขอาการทุกข์แล้วเราก็ไปอ่านออกอ่าไปสัมผัส ตัวนี้อ่านออกว่ามันสุขมันทุกข์เอาสัญญาไปกำหนดรู้มันมันก็เป็นอาการอย่างนี้เป็นสุขเออก็อรู้หนึ่งญาของเราอาการานี้จึงเป็นการเกิดสัญญาที่เป็นปัญญารู้ความจริงตามความเป็นจริง น, นี่คือนามหรือรูปที่นี่นามกับนามธรรมามันมีนามธรรมามันมีคำสองคำธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงอยู่ นามนี่กลางกลางคำว่านามคือธาตรู้ตัวรู้ธาตรู้รู้ตัวรู้ธรรมะ ก, กลางเป็นนามก็ได้เป็นรูปก็ได้ถูกรูปก็ได้เป็นตัวรู้ก็ได้จึง เ, เรียกว่ารูปประธรรมนามประธรรมมันทรงอยู่อัคสภาวะของธรรมะคือสิ่งที่มีอยู่ตั้งอยู่ทรงอยู่ถ้าไม่มีอยู่ไม่ทรงอยู่ไม่ตั้งอยู่ร่วมหมายคำว่าหายไปหมดไปไปหมดไปชั่วขณะ หรือหมดไปถาวรก็คือหายไปศูนย์ไปไม่มีสุญญาตาแต่สุญญาตาชั่วคราวหรือสุญญาตาถาวรก็แล้วแต่ว่าคือธรรมะมันหายไปสิ่งที่ทรงอยู่มันไม่มีไม่ตั้งอยู่นี่คําว่าธรร ม, มะนะสองรูปะรูปังคือรูปสมมุติว่าคือทุเรียนอันนั้นหมายถึงภูตา ร, รูปมหาภูต ร, รูป ทุเรียนมันเป็นสภาพอันนึงที่อยู่ภายนอกนะที่ภาษาไทยเรียกว่านะทุเรียนอ่าภาษาฝรั่งเรียกว่าดูเรียนมัน ม, มีชื่อมันมีแต่ของไทยฝรั่งมันไม่มีมันก็เลยต้องทับศัพนะทดด์ดูเรียนเอาตัวดีมาสะกดดูเรียนนะเพราะเท่นั้นเองอ่าภาษเจนเรียกอะไรฮะเต่า<ะ>เรียก เต่าเพี้ยงต่าเพี้ยงเอาละมันอย่าไปพูดเลยมันไม่รู้เรื่องมันฟังมันก็ชาติด้วยอา่าอะไรก็แล้วแต่เอาคือสิ่งที่ถูกรู้ข้างนอกนะเรียกว่ารูปข้างนอกถ้าข้างในเป็นนามธรรมาหรือเป็นอาการข้างในกายในกายเป็นต้นเรียกว่านา ม, มารูปถ้าข้างนอกนี่เรียกว่ารู ป, ป ร, รูปนะถ้ารูปปรกาย ขยายความให้ฟังอีกหมายความว่าสิ่งที่ถูกรู้ที่รวมทั้งรูปข้างนอกและนามข้างในทั้งกายนี่จะรวมองค์ประชุมหมดเลยไม่ตัดตรงไหนถ้าาั้งกาย ร, รู ป, ปรกายมันรวมหมดเลยทั้งข้างนอกข้างในถ้าบอกว่านามกายไปตัดเอาเฉพาะข้างในแล้ว้ารู้ข้างในแล้วองค์ประชุมของนามตัดรูปข้างนอกได้ ตัดตั้งแต่กายในกายขึ้นไปถ้ากายนอกกายนี่ยังมีมหาพูธรูปพบพ้นจากมหาพูธรูปสี่กลายเป็นอุปาทายรูปยี่บสี่ไม่มีไม่มีไม่มีตัวมหาพูธรูปสี่แล้วอย่างนี้เรียกว่าตั้งแต่นามกายที่กายในกายขึ้นไปเลยเป็นเป็นรูปในเป็นอรูปในในพบนะอีกทีหนึง่ง อ่เนี่ยอาตมาพยายามย้ำซ้ําตรงนี้ก็เพราะว่าเข้าใจคําว่ากายกันไม่ได้ไปเข้าใจคําว่ากายนี่หมายถึงข้างนอกอย่างเดียวไม่ออกข้างในเลยทิ้งไม่หมดเลยนี่แหละถึงไม่ได้เกิดปัญญาญาณที่จะรู้สภาพที่มีสังขารทั้งหลายเพราะสังขารนี่มันจะปรุงทั้งนอกไปถึงข้างในแล้วพระเจ้าให้ศึกษาแต่ข้างนอกก่อนแล้วก็ดูอาการจิตที่มันติดตังกระยับกรนี่มันจะเห็นได้สดๆง่ายๆแล้วก็ไป ไม่มีไม่มีตัวสัมผัสมันก็จะรู้ยากเป็นรูปเป็นรูปปรรมนามธรรมเป็นรูปปรมข้างในอ่าเป็นนามา ร, รูปข้างในเป็นรูปรรประพบอรูปประพบมันก็จะยากขึ้นนะอ่าเพราะงั้นเวลาจะปฏิบัติถ้าอยากก็ยังไม่รู้แล้วเราจะควรรู้ตัวได้ยังไงสภาพก า, กายเนี่ยนะกายเนี่ยกำลังรู้ตัวไม่ได้เพราะว่าอยากยังไม่รู้เลยและจะไปเข้าใจกายข้างในมันไม่ได้ มารัดมัดตัดลัดนะคุณจะต้องรู้ช้างซะก่อนแล้วเอาช้างทั้งตัวใหญ่ๆนี่ออกมาจากปวยกาให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาตรงนั้นออกเอาตรงนี้ออกที่หยาบๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งเลื้อละเอียดจนกระทั้งเลือหางแค่ห า, อ, าออกก็เอาออกนี่คุณยังไม่ได้เอาออกเลยยังไม่ได้ลองเลยว่าจะเอาช้างออกว่าปล้มเราจะหางมันออกตัวใหญ่ๆคุณยังไม่สามารถ รู้จักตัวมันที่จะเอาออกได้เลยแล้วคุณจะไปรู้ตัวหางมันจริงเหรอมันไม่ไม่จริงหรอกคุณมีมีปัญญาไปรู้หางมันเดียวปล้ำมาเอาหามันออกอย่างเดียวไอ้ตัวกลายยังไม่รู้ตัวมันเลยตัวเลบลอเบลลาเอาออกยังไม่ได้เอาออกเลยนี่คือมันตลกตลกอะ่อะอาจารมาว่ายกตัวอย่างอันนี้เนี่ง่ายดีชัดดีแต่คนฟังไม่รู้คงไม่รู้เหมือนกันนะเนาะ ดังนั้นเมื่อตากระทบรูปคือทุเรียนเมื่อกี้สมมติทุเรียนเป็นสมมติว่ามหาพุทธรูปกายนอกกายจึงคือตาและทุเรียนกายในกายรวมหมดอตั้งแต่รูปร่างของทุเรียนที่อยู่ในใจเราเป็นสภาพที่รูปร่างของในใจที่อยู่ในใจเรามุและเปิดซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้มีหรือไม่มีก็ได้จริงอ่าอารมณ์ที่เกิด รวมนอกจากจะเป็นภาพของทุเรียนแล้วอารมณ์ที่เกิดเหตุของอารมณ์นั้นและอกุศรุรธรรมที่เกิดเป็นจริงณนะขนาดนั้นนั้นดีแยกกันนี้ออกไปชัดดีดังนั้นรูปกายจึงคือกายนอกกายบวกกายในกายถูกต้องสามผู้ฟังยังไม่เคลียร์กับความหมายของคำสองคำข้างล่างนี้คงจําได้แต่เพียงว่าอรูปอัตตาเป็นกิเลสที่เกิดจากสัญญาเท่านั้น ไม่ใช่ของจริงจึงไม่ต้องกำจัดกิเลสชนิดนี้แต่อย่างใดตอนนี้ไปเข้าใจว่าอารูปอัตตามันก็เป็นอัตตาเป็นกิเลสที่เกิดจากสัญญามันเกิดจริงจะบอกว่าไม่ใช่ของจริงไม่ใช่มันใช่สิกว่ามันมีนี่นจึงไม่ต้องไปกำจัดไม่ได้กำจัดเหมือนกันต้องกำจัดหมดเกลี้ยงเลยโอ้โหถ้าในกำจัดด้วยอรูปฌาน อนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ให้ออกหมดเลยอักินจัญญาและต้องรู้ให้ชัดพณเนวัชยานาสัญญาโอ้จะบอกว่าไม่ต้องกระอือรูือัตตามันไม่เหลือมันก็เหลืออัตตาอยู่สิถ้าจะว่าเสแล้วเนาะมันต้องหมดทุกอย่างเลยอัตตาคุณต้องชัดเจนในอัตตาทุกอย่างไม่มีแล้วแต่ไม่มีหมดแล้วคุณก็ต้องอยู่อย่างมีอัตตาเป็นอรหัตตาอัตตาที่ไม่ลึกลับแล้วคุณรู้มันหมดเท่าทั น, มนหมดแล้วคุณอาศัยมันเท่าที่จะอาศัยเท่านั้น ไม่ได้หลงว่ามันเป็นตอเป็นเขาเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นอะไรจริงๆส่วนอีกคํานึงคือกิเลสในขั้นอรูปกายเฮ้ยขอแปลอรูปภพกิเลสในขั้นอรูปภพซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยนะอรูปภพนี่ดีนะเข้าใจต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยอรูปภพคือเมื่อดับกายอยากคือเอาตัวช้างออกมาได้แล้ว ตามาพบกายหยากตามาพบดับมันหมดแล้วกิเลสตามมาพบก็ ม, มีแต่คุณก็ยังมีการ ม, มาวจรคุณก็ยังดาเนินชีวิตอยู่กับตาหูจมูกนิ้วกายส้างนอกนี่แหละแต่คุณไม่ต้องปฏิบัติคุณไม่ต้องมีกิเลสใดอีกแล้วสัพผัดอีกอย่างนี้ขณะ น, นี้ตาหูจมูกนิ้วกายสัพพัดอะไรกิเลสที่เหลือคือรูปคือรูปรูปรูปปัญหาเป็นตัญหาของเขาวัฏปัญหารูป รูปภพกับรูปภพของมนในภวะ ต, ตนาเป็นรูปรูปตันหาออกมากระทบแล้วมันก็ไม่ใช่ออกมาแล้วมันเกิดกระทบตาของวิญญาณนิการมันก็เกิดคุณก็รู้ของคุณคุณก็ไล่ตัวที่เหลือเมื่อเอาตัวกาช้างออกมาแล้วขาช้างก้นช้างก็ออกมาให้หมดมันก็จะเหลือหางช้างเป็นอรูปก็มากล่ยเป็นลำดับลำดับมาอย่างนี้นะ มันก็จะไล่เป็นเมืองต้นทากลางมันปลายออกมานิพัสสะอยู่หมดรูปแล้วรูปปัญหาหมดแล้วอารูปสุดท้ายเป็นอรูปปัญหาคุณยังได้รื่อี้ยังติดยึดมันอยู่คุณก็ต้องล่างมันเหมือนกันนะเขาต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยของอารูปประพบอย่างที่คุณว่านถูกแล้วซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีผัสสะเป็นปจัจจัยจึงจะสามารถจัดการกับกิเลสตัวนี้ได้ใช่เพราะงั้นคุณตั้งข้างบนคุณบอกว่าอ่า อะไร อ, ร, อรูปอรูปอัตตาสําเร็จด้วยสัญญาไม่ต้องไปล้างมันมันสับสนกันอยู่นะกระชี่คุณถามมันหลังมันเนี่ยอันบนบอกว่าอารูปอัตตาเป็นกิเลสเกิดจากสัญญาท่านนั้นไม่ใช่ของจริงยังไม่ต้องกำ จ, จัดกิเลสช่าน น, นี้แต่อย่างใดพอมาตรงนี้บอกว่าเกิดขึ้นของอรูปพบพบอัตตาเนี่ยพบคือแดนที่มันมีชาติเกิด ถ้าชาติเกิดพบก็มีเพราะชาติจะดับพบจึงดับพบดับชาติมันเกิดไม่มีพบเพราะชาติในพบที่คุณร้างมันกลามาพบเป็นต้นมันดับแล้วชาติมันก็เกิดได้แต่มันไม่มีพบกามทับชนไหม ไม่สับสนนะอย่างนี้เป็นต้นรูปภปพก็ได้ไปอรูปภพก็ไล่ไปอย่างนี้เหมือนกันนะจึงจะสามารถจัดการกับกิเลสตัวนี้ได้อาถูกบวกกับแต่ก็คล้คคคายคลาบคลาว่ากิเลสขึ้นอรูปภปพนี้สามารถเกิดขึ้นจากสัญญาได้ด้วยใช่คุณไม่ต้องสัมผัสข้างนอกแต่สัญญาปรุงขึ้นได้เองเกิดด้วยสัญญาได้ด้วย เพราะฉะนั้นอรูปที่เกิดด้วยสัญญาอันนี้แหละพระพุทธเจ้าก็บอกว่าล้างยากตัวนี้มันติ้งตองติ้งตองไม่ก็หายได้สักทีหนึ่งเพราะของหยามีล้างง่ายเพราะเรารู้ว่ามันขาดมันไม่มีประสามก็ไม่มีแล้วแต่นี่มันให้มันมีประสามมันจะขึ้นมาแหละมันก็ขึ้นอยู่สัญญามันล้างไม่หายไปออกไปจากเจิติพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสอันนี้อาตมายังไม่เจอคํานี้อีกทีเคยเจอในพระธิชรสิครับว่า สัญญานี่แหละอนนนเป็นตัวที่ล้างได้ยากช้านา น, น <c oughs> บวกกับที่พวกครูเคยเทศว่าสัญญาล้างยากที่สุดนะพูดแล้วล้างเป็นอันสุดท้ายคือสัญญาของอะไรเกี่ยวกับกิเลสและระดับในระดับอรูปภพหรือไม่อรูปภพนะสัญญากองอรูปภพในระดับของใครข้ามานันของใครข้ามานันนะ แล้วแต่ใครไปยึดอะไรแล้วแต่จะติดสีแล้วแต่ชอบแล้วแติดสี่เฉพาะเรื่องของปฏิจจส ม, มุบาทเมื่อเราจะไปทําการเปลี่ยนแปลงสัตว์โอปาปาติกะหรือวิญญาณถีนั้นเราจะต้องมีนามรูปนามะรู ป, ประปริเฉษยานเป็นอุปกรณ์สําคัญในการเรียนรู้ยานตัวนี้คือตัวใดในปฏิจจุบุบาททั้งสิบสองตัวยานตัวนี้ก็คือวิชา จากอาวิชามาเป็นดิชาไปเรื่อยๆรู้จักสังขารรู้จักวิญญาณรู้จักนามรูปรู้จักอายตนารู้จักปัจจารู้จักเวทนารู้จักตัหารู้จักอุปทานดับตนาแบบบูมทานได้พบกับชาตดับถ้ายังไม่ดับคุณก็จะรู้พบรู้ชาติแม้ที่สุดมันพบชาติไม่ดับมันยังเกิดโสกปริเทวทุกะโทมานัตอุปายาตอยู่คุณก็เห็นอาการของสิ่งเหล่านี้อยู่แต่คุณดับตัหาได้จริง เวหามันดับไปไม่มีจริงๆแม้พรรษะอยู่เวทนาไม่มีอารมณ์ของกิเลสมีแต่เวทนาที่เป็นอุเบกขาเวทนาหรือเป็น ว, เเนวเิเป็นวิสังขารหรือเป็นอภิสังขารมันก็ไม่มีพพไม่มีชาติอุปทานไม่มีพบไม่มีชาติไม่มีโศกปริศะอาการเหล่านี้มันไม่มีทั้งนั้นอ่าวางกัน อาการเหล่านี้มันหมดมันหายไปจริงๆมันไม่มีตัวต้นนี่คือการไม่มีตัวตนไม่มีรูปไม่มีนามอะมันมีตัวถูกรู้ก็ไม่มีนามที่ไปรู้ไอ้ตัวที่ถูกรู้ก็ไม่เกิดมันไม่เกิดสัมผัสกันมันไม่มีตัวถูกรู้โดยรู้มันไม่ีเหตุไม่มีปัจจัยเหตุปัจจัยมันมันไม่มีอันใดอันหนึ่งเท่านั้นมันไม่มีสองอันมันก็มันก็ตบมือข้างเดียวไม่มีเสียงออกมาเลยอ กันมือข้างนี้เยเสียงไว้เกิดอะไร <c oughs> อ้าวแนั้นยาวนานี้อธิบายแล้วต่อมาหนึ่งผู้รู้จริงจะเห็นความผิดเป็นความถูกและผู้ที่ไม่รู้จริงจะเห็นความถูกของคนถูกเป็นความผิดอยู่ที่ขีดเส้นมีลักษณะเป็นเช้นไรคะการาเี่ยนพอท่านด้วยคะ่ะผู้รู้จริง จะเห็นความผิดของคนผิดมันต้องมีของคนผิดด้วยผู้รู้จริงเนี่ยจะเห็นความผิดของคนผิดเป็นความถูกอยู่เขาเห็นอย่างนี้จริง ๆ, ๆคนนี้เขาเห็นนี่เหมืนอย่างคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้านี่เห็นเขาจริงจเลยเขาก็เป็นเขาก็ไม่ได้ดักจริดเขาไม่ได้เสแทร้งมาหลอกอาตมาหรอกเขาเอาของจริงมาบอกอาตมาอ่า ถูกแล้วคนเขาเป็นอย่างนั medo, it, ainsi, ้นจริงๆเขาบอกตัวเขาให้แกอาตมารู้อผู้รู้จริงจะเห็นความผิดของคนผิดเป็นความถูกแล้วส่วนผู้ที่ไม่รู้จริงนั้นจะเห็นความถูกของคนถูกเป็นความผิดอยู่ความถูกของคนถูกเนี่ยคนไม่รู้จริงนี่จะเห็นเป็นความผิดอยู่เหมือนคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยเห็นความถูกของของ ของคนถูกคืออัตามาขออาภายัยอาัตามายืนยันชัดจะอันนี้ mm hmm. เห็นในความผิดอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งโง่ทั้งเออทั้งอะไรก็ไม่รู้ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวนี้ก็รู้แต่คำว่าโง่แต่ก่อนนี่หลายอย่างออ่าสองการครบคนชั่วแนวเียบแต่สามารถดำรงตนแล้วดำรงดำรร ง, งตนได้ <ป>การคบคนชั่วนย่างเร็วแต่สามารถดํารงตนไ ด, ด, นได้เป็นประโยชน์อย่างไรบ้างคะอ๋อสามารถดํารงตนได้หมายความว่าเราสามารถที่จะทรงสภาพของเราอยู่กับคนชั่วนี้ได้ดํารงคือทรงอยู่หรือดำทรงอยู่เนี่ยอันเนื่อกันกับสิ่งที่ชั่วนี้กับคนชั่วเนี่ยคบคนชั่วเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างค ะ, ะเราได้รู้ ว, ว่าในชั่วแล้วเราเป็นอย่างเขาเป็นมั้งเปล่าอ่าหรือว่าเราจะไมเป็นอย่างเขาเป็นนะ มันก็ได้ประโยชน์งไง <C oughs> สามต่อจากภพนี้ต่อจากภพนี้าศาสนาพุทธจะอยู่ต่ำกว่าห้าพันปีเป็นไม่มี่อโอ้ขอไปไม่ใช่ต่ำต่อ <C oughs> ต่อจากภพนี้ต่อจากภพนี้ พบยังไงของคุณนะอาตมาจากงงๆพบของคุ ณ, คณล้วต่อจากพบนี้าศาสนาพุทธจะอยู่ต่ำกว่าห้าพันปีไม่มีแปลว่าจะไม่มีาศาสนาพุทธหรือคะอ๋อจะเรียกว่าพบมันไม่เรียกว่าพบเรามันเรียกว่ากลับมันเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรฮะ ระยะหนึ่งของศาสน า, าพุทธอยู่ห้าพันปีเนี้จะเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่พุทธันด ร, รไม่มีศาสน า, ศ า, ศาพุทธันดรนี่หมายของว่าระยะเวลานั้นปราศ จ, จากศาสน า, ศ า, ศาพุทธพุทธคำว่าพุทธันดรนนี่อย่าเข้าใจผิดนะพุทธันด ร, รแปลว่าในระหว่างที่พุทธไม่มีไม่มีพุทธนัเรียกว่าพุทธันด ร, ร อ่าอันตระอันดอนเนี่ยแปลว่าระหว่างระหว่างพุทธพุทธตรงนี้กับพุทธตรงนี้พุทธมีกับพุทธไม่จะมีไม่มีอีกทีหนึ่งอย่างศาสนาพุทธของพระสมณะโคดมีหมดลงก็ไปอีกสักสองพันกว่าปีหมดนะหมดสิ้นระหว่างจากนั่นไปไม่มีศาสนาพุทธไปจนกว่าจะมีพระเจ้าองค์ใหม่มามาม า, มาอุบัติ แล้วก็มีศาสนาพุทธช่วงระหว่างที่ไม่มีศาสนาพุทธของพระสมาโคดมไปถึงก่อนจะเกิดศาสนาพุทธจากพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมากระกาดเนี่ยแหละช่วงนั้นเราเรียกว่าช่วงพุทธันดอนระหว่างพุทธคือระหว่างพุทธนี้กับพุทธนี้นี่แหละช่องว่างตรงนี้ระหว่างเนี้ยเรียกว่าพุทธันดอนเข้าใจไหมคนไม่เข้าใจพุทธันดอนคือ ระหว่างที่มีาศาสนาพุทธไม่ใช่ระหวางที่าศาสนาพุทธไม่มีระหว่างพุทธมีกับพุทธมีช่วงที่ไม่มีนี่แหละเรียกว่าพุทธันดอนระหว่างพุทธระหว่างพุทธนี่คือพุทธนี่คือพุทธนี่ระวางพุทธอันตระระหว่างตรงนี้ระหว่างช่องตรงนี้เรียกว่าท่วงเนี้ย จะกี่พันปีกี่ล้านกีกี่ล้า น, ล, านล้านปีก็ตามตรงนี้ไม่มีศาสนาพุทธนี่เรียกว่าพุทธทันดอนอ่าอันนี้ก็ขยายความสู่ฟังต่อจากพุทธศาสนาต่อจ า, จากศาสนาพุทธจะอยู่ต่ำกวาห้าพันปีจะอยู่ต่ํำว่านปีเป็นไม่มีอ๋อถามว่าศาสนาพุทธที่มีมาเท่าที่มีเนี่ยจากจากของศาสนาพุทธเขาพุท ธ, ทธโคตมาไปแล้วเนี่ย ศาสนาพุทธอื่นๆของพระพุทธเจ้าองค์อื่นจะมีน้อยมีต่ำมีแค่ห้าพันปีนี้เป็นไม่มีคุณคนนี้เข้าใจว่าเป็นไม่มีแปลว่าจะไม่มีศาสนาพุทธหรือคะเอ๊ะหมายความว่าไงต่ำกว่าห้าพันปีไปไม่มีก็ศาสนาพุทธนี่ของพุทธสมณโคดมนี่ห้าพันปีก็โดนนี้มันเหลืออีกสองพันกว่าปีหมดไปถึงสองพันกว่าปีสมมุติลงไปข้างหน้าอีกสองพันกว่าปี บทศาสนาพุทธนี่แล้วเลยจากนั้นไปก็จะเป็นช่วงพุทธัดนดรไม่มีศาสนาพุทธจนกว่าจะมีศาสนาพุทธใหม่มีอีกมีได้ศาสนาพุทธนี่เกิดแล้วเกิดอีกอยู่วนเวียนอยู่นี่นับชาติรักนับปาลาไม่ได้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมามีมากเท่ากับมเลดดมเล็ดกลัวเมล็ดทรายในมหานทีขณะพระพุทธเจ้าองค์สมณโคดมเนี่ยยังได้เกิดมาพบกับพระพุทธเจ้าตั้งห้าแสนกว่าพระองค์ แต่วกว่าจะเกิดพระพรุทธเจ้าสักองค์หนึ่งองค์หนึ่งมันก็ไม่ใช่ธรรมดาง่ายๆไปคิดดูสิมันนานเท่าไหร่ไม่ต้องพูดถึงเวลาเลยน ะ, ะข้อสี่ระหว่างฝืนตนเองกับการทําตัวตามสบายฝืนตนเองกับทาตัวตามสบายทั้งสองอย่างก็ทําให้ตกนรกหรือคะฝืนตนเองกับตกนรกทํตาตนเองสบายก็ตกนรกเลรอ แล้วทางออกคืออะไรคะการเรียนศึกษาธรรมะใช่ทางออกไหมคะอันนี้กำปัญนทุกบินการเรียนศึกษาธรรมะเนี่เป็นทางออกนะกาปั้นทุบินถูกแล้วแต่ทีนี้ถามว่าฝืนตนเองกับทาตัวสบายเนี่ทั้งสองตกนรกเลยคือภาษามันเยอะเนาะเอาภาษามาเรียกกำลังสบายสบายนี่ยว่าตกนรกมันก็ไม่ใช่ภาษาอ่ ตกความสบายคนสบายนี่ไม่เรียกว่ารโนโรกหรอกเขากําลังอยู่สวรรค์คนสบายสบายคนที่มันเดือดร้อนดิ้นรอนอยู่ต่างหาเราเป็นอักจารของโนโรกนะตัวฝืนตนเองเนี่ยมันก็เดือร้อนดิ้นรอนอยู่มันฝืนมันไม่โล่มันไม่สบายมันน่าจะเป็นนรกมันจะเป็นอย่างนั้นก็การที่ตั้งตนอยู่บนความลําบากหรือฝืนตนเองอยู่นั่นแหะมีธรรมะมีคันติอะไรต่างๆ น, นานาพวกนี้ต้องอดต้องทนต้องฟืน สึ่งอย่างนี้เรามันจะเห็นความไม่สบายแล้วก็เรียนรู้เหตุปัจจัยและก็กําจัดตัวนี้กุศลธรรมก็เจริญยิ่งแต่ถ้าปล่อยตัวตามสบายคุณก็ไม่ต้องไปเรียนอะไรคุณก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรคุณก็ไม่ต้องดิ้นร น, นอะไรมันก็ดี้ไม่ไดีก็เสพกิเลสไปจริงๆแล้วเสพกิเลสอย่างนั้นก็คือนรกสวรรค์หลวงสวรรค์ติดสวรรค์หลวง ก็เป็นเห็นให้คุณจะต้องสร้างนรกม า, าบำมเริลตนเองอีกในอนาคตอีกนานเท่าที่คุณไม่ล้างมันคุณไม่กำจัดเหตุมันคนก็จะต้องมีนรกท่วงอยู่กับสวรรค์ปลอ ม, มนี่อยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นปล่อยตัวตามสบายเสพสวรรค์ก้นนรกลิ่นโดนก็นนรกแต่มีสิทธตั้งตนอยู่บนความลำบากจึงจะได้หาทางลดตัวเหตุที่มันพาลำบา แต่ไปเผลอติดสบายคุณไม่หาทางคุณไม่ระ ง, งับเหตุคุณก็ยิ่งจะมีกิเลสสะสมสะสมสะสมสะสมนรกคุณอีกจะยาวนานนรกจอีกยาวนา น, น <c oughs> จากเจ็ดแปดสองสองีฉันเคยไปปฏิบัติธรรมของอโศกเวลาเย็นๆจะรู้สึกเหงามากไม่อยากไปฟังธรรมเป็นเพราะอะไรคะ เคยไปปฏิบัติธรรมชาวโซเวลาเย็นๆรู้สึกเหงามากมันไม่ยินดีไม่ฉันทะพระพุทธเจ้าจะบอกว่าผู้ที่จะปฏิบัติธรรมมาพระพุทธเจ้าต้องมีฉันทะเป็นแสงอรุณมาก่อนถ้าไม่มีฉันทะสัมปทานะ่แสงอรุณมีทั้งเจ็ดอย่างหนึ่งมิตรดีแสนดีสองศีลสามฉันทะสี่อัตตะสัมปทาหนะ้าทิฏฐิหกออมมาทะ เจ็ดโยนิโสมนสิการแท้งอรุณเจดข้อนี้ไม่มีไม่มีก่อนไม่มีชันทะก่อนหรือแม้แต่ในมูลสูตรชันทะเป็นมูลไม่มีชันทะมานําเลยยคุณจะต้องพิจารณาหเห็นว่าเอามาปฏิบัติธรรมนี่มันดีอย่างไรมันน่าสนใจมันน่าได้น่ามีน่าเป็นอย่างไรต้องพิจารณาอา่อานนี้ออกอแล้วคุณก็จะ เห็นดีพอใจมันแล้วคุณก็จะเกิดฉันทะถึงจะเริ่มเป็นไปได้ถึงจะมีแสงอรุณก่อนที่จะปฏิบัติก่อนจะเรียนรู้มกักตรงแปดหรือทางปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ทั้งหมดนะไม่งั้นก็ไม่ ไ, มได้ดิฉันฟังพวกครูตอบแปดเจ็ดศูนย์ห้าถึงวันนี้ได้ข้อสรุปแล้วว่าเขามีความผิดปกติที่ภาษาอังกฤเขาเขาว่าพวกแอบ โดยแอบนอมแน่ๆเลยครับอเอเ้าก็คุณกับพิจารณาตามความคิดเห็นของคุณนะจากแดนใต้ครับขอก็ะครู อ, อธิบายคําว่ามงคลอนุดมด้วยครับอ๋อมงคลอนุดมมงคลอนุดมนี้ในมงคลระสุดสามสิบแปดเอตมังคารมุตตมังนะๆมงคลอนุดมทั้งนั้นเอตมังคารมุตตมังมงคลแปลว่า สิ่งนำพามาสู่ความเป็นเสื่อมาสู่ความดีงามมาสู่ความพ้นทุกเลยแหละตั้งแต่หยาบ ก, กลางละเอียดหมดมงคลพาเจริญมงคลมงคลอันอุ ด, ดมอุ ด, ดมระเว่าสูงสุดดฉะนั้นคุณมีมงคลมาเรื่อย ๆ, ๆ, ๆแล้วก็คือสิ่งนำพายคุณไปสู่ความเจริญขึ้นจนถึงอุ ด, ดมอภูมิอุตมะ สูงสุดจบเพราะฉะนั้นมงคลอนุดมที่พระพุทธเจ้าท์อธิบายไว้ตั้งสามสบแปดมงคลสามสิบแปดนั่นคือความดีงามตั้งแต่เบื้องง่ายๆจนต้ น, ต, น, นตั้งแตเ่เซวนาจะพาลนังบัณจิตานั่นจะเซวนาไปเรื่อยๆครบอย่าไปครบคนที่ไม่พาไปเจริญ พบผ่านคนเจ ร, ริญในว่าบันดิตไปเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรอะไรต่าง ๆ, างๆน่าอยู่ในที่อันทุ่ควรอยู่ในอะไรต่าง ๆ, างๆไล่ไปจนกระทั่งถึงที่สุดอโซกะวิริชาเค ม, มังจบสุดท้ายอันที่สามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดมงคลที่สามสิบหกก็คืออโซกะนี่พวกนี้อโซอไม่โศกแล้วนะแต่ ยังมีวิริชาหนะยังยังระดิกะดีอโศกนี่จริงๆรงนี่นะเป็นพวกที่อยู่ในภูมิของวิริชาไม่มีโศกแล้วเนี่ยอยู่ขั้นอนณาคามีอนณาคามีเยอะนะเยอะไม่ค่อยมีอะไรลาคานํานเคิลอะไรอะไรอด้าง่ายอะไรหรอกอยู่กันยังสบายไะเนี่ยเพราะภูมิขนาดนี้เนี่ยอโศกนี่จะมีภูมิ น, นี้เยอะ ถ้าอาตมาอธิบารารายละเอียดทั้งหมดไม่ได้ก็ไม่คึดเข้ ม, มงวดได้เท่านั้นเองเพราะอาตมาที่มันหนักตรงเนี้ยอโศกะเนี่ยไปภูมิพบที่อาตมาหนักนี่มันก็เลยต้องชื่ออโศกกันเนี้ยซึ่งไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องชื่ออโศกแต่ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามธรรมไม่ได้เจตนาตั้งชื่อมาก่อนเนือและไม่เคยอ่ต่อมาคุณกระยาถามว่าจิต อยู่ส่วนไหนของร่างกายจบคะไม่มีหรอกจิตไม่มีอยู่ส่วนไหนของร่างกายจิตไม่มีที่อยู่จิตอยู่ในร่างกายเราเรียกว่าคูหาสยังมันเหมือนถ้ามันเหมือนห้องมันเหมือนกล่องก็อาศอยู่ในเขตนี้เท่านั้นเองโดยตัวกําหนดที่เป็นอจินไตรอธิบายไม่ได้ต่อแล้วว่าทําไมต้องอยู่อย่างนี้ทำไมไม่ออกมาจากนี้ออก มันไม่อยู่ที่ลันดอรหรอกสวาร์นนึงมันก็ออกอันนี้ดีวัจมันก็ไม่เอาตรงนี้มันก็ออกไปอ่าจิตมันไม่มีที่อยู่ออกไปแล้วมันก็ไม่มีไม่มีที่อยู่มันไม่มีเราจะหาที่อยู่ให้มันถ้ามันมีที่อยู่มันก็จะเบียดกันแย่เลยเพราะมันเยอะนะไม่มีมันละเอียดมากอ่ะต่อมาจากหลวงตาในกทมฝากถามครับอ๋อหลวงตาในกทมนี่เองหึง ผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิและสาวกภูมิจะต้องผ่านดานมัคกก ล, ลีผลออมนาลีผ่านมักกนากกรีผลอ่อมัคลีผลนี่คือพักมักกนารีผลทุกคนหรือเปล่า <S <S ผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิต้องผ่านมัคลีผลมักละนารีผลคุณหมายความว่าอะไรนี่อาตมาแปลคําว่ามัคคีผลของคุณไม่ออก <S <S <S <S คุณจะหมายความว่าเป็นไปไมต้องผ่านผู้หญิงหรือเปล่า อ่จะผ่านพระมรีหรือมกกรีผลทุกคนหรือเปล่าอาก็ต้องผ่านเป็นธรรมดาธรรมชาติของค น, นบวชมาออย่างก่อนจะบวชก็ต้องผ่านมาแล้วบวชมาแล้วนี่จะไปผ่านได้ไงก็จะประราชิกะทีบวชไม่ผ่านไม่ได้นะบวชเป็นบวชแล้วไม่ต้องผ่านหรอกไอเดียผ่านมาก็เยอะแยะแล้วชาติไหนๆก็ถึงเยอะต่างแยะ่ะไม่ต้องไปเรี่อยหรอกสัญชาติญาณมีต่างเยอะตัางแยะเลยผมนี่เนี่ย มีมาตั้งแต่เป็นศัตรูเลยช้ามแล้วจงกระทั่งมาเป็นคนมันก็กลัวมันอาจจะเลื่อนๆเลอะๆไปบ้างแต่มันโอยมันรู้ง่าจะตายไปนะมันรู้ได้บางคนรู้ย่ำยอดตั้งแต่ตัวเล็กๆน้อยๆเลยอะสองผู้บำเพ็ญบารมีมาแล้วกึ่งหนึ่ ง, งเป็นมาเบือนมาได้กึ่งหนึ่งจะต้องสัมผัสพระปัจเจกกับโพธิสัมผัสพระปัิเจกกับโพธิหรือไม่บำเพ็ญมาแล้วกึ่งหนึ่งจะต้อง ไปสัมผัสพระปฏเจกกระโพธิหรือไม่มาเป็นมาแล้วกึ่งหนึ่งจะไปสัมผัสพระปฏเจ ก, กโพธิหรือไม่ปฏเจกกระโพธิคุณหมายถึงขนาดไหนปัฏเจกนี่มันมีความหมายสองในสองขั้นขั้นปัจเจกในระดับสามัญ น, นะปฏเจกในระดับยังไม่พ้นอรหันต์ก็เป็นปฏเจกได้ สะสมบารมีเป็นปัจเจกเป็นของส่วนตนส่วนตนไปจนกว่าจะเป็นอรหันต์เลยเป็นอรหรันต์จนสงสมปัจเจกอีกระดับหนึ่งสั่งสมปัจเจก ร, ระดับของเลยอรหันต์ปแล้วเนี่ยจนกระทั่งถือว่าปัจเจกเนี่ยจะถึงขั้นเลยนิยตภูมิไปนิยตนิยตโพธิสัตว์ไปถึงปัจเจกสัมโพสัมโพสัมพุทธเจา้าถึงเียปัจเจกอีกขั้นหนึ่ง พระปัจเจกในขั้นเลยอลหรหันไปนี้ก็สะสมไ ป, ป, ปกันไจเพราะฉะนั้นอที่ว่าปัจเจ ก, กโพธิเนี่ยคงหมายถึงในระดับเรยอหรหันท่านั้นมั้งผู้บำเพ็ญบารมีมาแล้วกึ่งนึงจะต้องไปสัมผัสพระปัจเจ ก, กโพธิหรือไม่จะสัมผัสจะได้พบกันจะได้ช่วยกันพระปัจเจ ก, กโพธิเนี่ยจะออกมาช่วยพระปัจเจ ก, กโพธิคือผู้บำเพ็ญพุทธภูมิต่อ ขั้นต้นก็ยังไม่ถึงปัจเจกสมมาสมุท t า a ไงก็จะต้องช่วยกันไปเรื่อยๆจะต้องเจออ่ออีกสามแผ่นเร็วหมดเวลาแล้วจิตใจมันฟุ้งซ่านตลอดเวลาคิดเรื่องนอกตัวถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นทาอะไรยังจะหยุดคิดฟุ้งซ่านได้ดิฉันคิดมากจนหน้านิ้วคิ้วขรวดเวลาฟุ้งซ่านมากเวลาฟุ้งมากอธมาร ไม่มีคําตอบอื่นเลยนอกจากคุณจะต้องมาเรียนรู้ธรรมะแล้วก็แบ่งปฏิบัติแบ่งปฏิบัติไปคุณไม่ต้องไปกังวลว่าคุณมีกิเลสมากอันโน้นอัน น, นี้มันจะคิดมันจะ อ, อะไรก็ปล่อยมันก่อนตั้งศีลหรือตั้งกรรมฐานหรือตั้งสัจจะในข้อที่คุณจะปฏิบัติกรอบนี้เขตนี้เอาเท่านี้แล้วปฏิบัติไปอันอื่นๆมันจะามากๆไม่มาอะไรของมันอยู่ปล่อยมันก่อน ม่ใช่นะั้นมันเยอะเกินไปจนเราต้องไปเอาใจใส่อะไรก็จะเอาใจใส่อะไรก็จะต้องเอาให้มันหยุดหมดมันไม่ได้มันต้องหยุดไปเป็นจ๊บจบอบๆเป็นส่วนๆต้องเป็นงานจ๊อบเนี่ยไปเท่ไดยเป็นงานอ่าเป็นงานจ๊อบเป็นงาน e <c oughs> อีเวนต์แม่ผู้เซ็โก้เลยนะหกเจ็ดสามศูนย์ 0, บอกว่าเพียนเผากิเลสแปลว่าอะไร และเอาสิ่งใดไปเผาโอ้ต้องตั้งใจหน่อยนะคือมันเป็นนามมาทำแล้วมันไม่เหมือนแสงไฟมันไม่เหมือนก้อนถ่านแดงๆนะมันไม่เหมือนออไฟที่คุณเห็นเนี่ยไฟอันนี้เป็นไฟฌานไฟปัญญาซึ่งมีอุณหธาตก็เมันเหมือนกันมีความร้อนมีความมีฤทธิ์ละลายมีฤทธิ์ทำลายเหมือนกันเพราะนั่นถ้าขึ้นขึ้นถึงที่ มีอุณาภูร์หรือมีอุณาธานก็มันมีสมบุกคุณสมบัติถึงขั้นหนึ่งมันก็ละลายใส่ราคาละลายใส่โทรศัได้มันจะมีฤทธิ์อย่างนั้นจริงๆริงนะฤทธิ์ของปัญญาเนี่ยฤทธิ์ของฌานของไสเนี่ยมันเกิดปัญญาเป็นวิปัสสนาญาณเป็นญาณที่มันเกิดรู้เห็นแจ้งแล้วมันจะมีฤทธิ์มีอํานาจนะมีฤทธิ์มีนาละลายจริงๆรนะซึ่งเป็นนามาทําไม่รู้จะไปยกตัวอย่างอะไรนะ ก็เผาก็ชาญนี่แปลว่าไฟกองไฟพิเศษกองไฟใหญ่ะจะเผาอย่างนั้นจริงๆแต่ทีนี้คนทุกวันนี้มันไม่ค่อยเข้าใจแล้วอาจจะมาดึงเอาคําว่าชาญที่แปลโดยล่าสับเดิมแปลว่าไฟมาใช้มาอธิบายเนี่ยพวกเราเข้าใจคนข้างนอก น, อ น, นี่ชาญเขาก็ได้ไปเพ่งอย่างเดียวเพ่งแล้วก็ไปสมมตาไม่ได้มีไฟเลยนะมีแต่เย็นเย็นไปเรื่อยชาญเขาก็มีแต่เย็นอย่าไม่มีไฟไม่มีฤทธิ์อุณหธาตุไม่มีอุอุณหภูมิอะไรขึ้นมาที่จะไป ทำการละลายสบายแล้วต่อมาจากนักรบชายแดนฝั่งเหมรนโอ้เป็นนักรบชายแดนอยู่ฝั่งเกเหม็นด้วยนะผมรับช่องนี้ได้ช่องเดียวโอโ้โหทำไมมันถึงได้ยัดเยียดขนาดนั้นพอรับช่องนี้ได้ช่องเดียวเขาบอกว่าพวกครูจะตอบอรารยาตอบกากลวงตอบให้ตรงๆงหน่อยมาอีกคนแล้วขับสนและมาหาวาลรามั่วแนวเดียวกันเลย เนี่ยตอกตรงหน่อยแยกตับตอกกำกวมกำกวมนี่มันก็คือหมายความว่ามันอะไรก็ไม่เป็นอะไรคือคุณยังจับไม่ได้อาตมาจะพยายามให้มันง่ายให้มันชาติที่สุดอีกนะได้เท่านี้ก่อนอาตมาไม่โทษคุณหรอกว่าคุณจับไม่ติดรับประลับไม่ได้อาตมาว่าอาตมายังไม่เก่งอ่าจะพยายามไม่ให้กำกวมอ่าเอาสุดท้ายปลายฝนอ่าปลายฝนให้เงียบไปไม่ค่อยเอสเไปเลย อนุโมทนาบุญกับสมณะแสนดินที่มาเจอพ่อท่านมาโชร้ายไปเจอแปดเจ็ดศูนย์ห้าค่ะบ อ, อะ้านแสนดินรับไปอ่าอ่ก็คงจะพลาดพิงถึงว่าเนี่ยแปดเจ็ดศูนย์ห้าเขาบอกว่ายังไงเรียนแพทย์เรียนหมอมาแท้ๆแล้วดันมาให้มึงโง่มงไงเดรธีพอจะรักเดรธีหลอกได้อันแสนดินนี่เป็นในแพทย์จบหมอมาจบในแพทย์มา แล้วมันโง่อะไให้เดียะทีโพธิรักลอกนะเออก็เอาเอาละว่าไปอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้เลยเวลาก็ไปแล้วก็อ้าขออาภายัยเจริญธรรมทุกคน